ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมากันใช่ั้มหลายคนไม่ได้เคยมากันขึ้นต้นมาแล้วก็จะทำสมาธิร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าอ่าเนี่ยจิตมันจูนเข้าหากันนะะคือปกติเนี่ยคนเรา จะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีมุมมองแล้วก็คลื่นของจิตมันก็จะเป็นหนักไปในทางโลภโทสะโมหะไม่เท่ากันนะงานเวลาที่มารวมๆอยู่ด้วยกันหรือว่ามาจับกลุ่มหรือจับคู่คุยกันสนทนากันเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับเราจะรู้สึกได้ว่าคลื่นของความเข้าใจคลื่นของความสัมพันธ์นะ มันดูไม่เข้ากันแต่ถ้าหากว่าเรามาจูนจิตนะครับให้มีความมีทิศทางเดียวกันมีความเข้าใจมีมุมมองไปในทางเดียวกันความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับเป็นญาติเป็นมิตรหรือว่ามีความเป็นพวกเดียวกันเข้ากันได้นะอันนี้ก็เลยเหมือนกับกลายเป็นมาตรฐานว่าเวลาเริ่มต้นก่อนที่จะ เข้าสู่ดังตรินิยสงนาเนี่ยมีการทำสมาธิร่วมกันก่อนเป็นสมาธิในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะฮะที่เรียกว่าอาณาปานสติที่เรียกว่าเป็นการ เ, าเจริญสติด้วยการเอาลมหายใจเป็นหลักตั้งเป็นตัวตั้งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาณาปานสติเนี่ยหมายถึงการมาจ้องดูลมหายใจ ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกด้วยความคาดหมายว่าเดี๋ยวมันจะเกิดสมาธิดเดี๋ยวมันจะเกิดความสงบสดเดี๋ยวมันจะเกิดความระ ง, งับจากอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาเป็นความเข้าใจที่ผิดพอไปตั้งทงไว้ว่าอาณาปานั้นสติคือการจับลมหายใจเพื่อให้เกิดความนิ่งเพื่อให้เกิดความสงบปุ๊บมันก็เกิดการเพ่งเกิดความตั้งใจบังคับจิตตัวเองให้เกิดความสงบ แท้จริงแล้วอน า, าปานสติเป็นการทำให้ลมหายใจของเราเนี่ยนะเป็นเครื่องสังเกตเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งของการสังเกตไม่ใช่ทั้งหมดามาครบไล้ใช่ไหมนี่มาด้กันามาได้กันนะโอเค พอเรามาทําอาณาปานสติด้วยมุมมองเดียวกันตรงตามที่พระพุทธเจ้าต้องการนั่นคือเห็นว่าลมหายใจทั้งปวงไม่ว่าจะขาเข้าขาออกนะไม่ว่ามันจะยาวไม่ว่ามันจะสั้นล้วนแสดงความไม่เที่ยงให้เรารับรู้ mm hmm. เพื่อปล่อย mm hmm. เพื่อความปล่อย mm hmm. เพื่อความคลายจากอาการยึดมั่นถือมั่นว่าลมหายใจเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไอจิตที่มันรับรู้ ในะลมหายใจมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนด้วยพอมีความรู้สึกมีความรับรู้ตรงกันแบบนี้เนี่ยนะผลที่เกิดขึ้นก็คือจิตของพวกเราที่ห้องที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันจะเหมือนกับเป็นพวกเดียวกันเป็นข้างเดียวกันเป็นกาลยานมิตรนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนๆกันและการพูดคุยถัดจากนั้นมันก็จะเป็นไปได้วยความเข้าอกเข้าใจง่าย จะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ไม่เคยเข้าใจเอ๊ะที่มันเคยสงสัยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนหายไปได้ง่ายๆเพราะจิตมันตั้งอยู่ในที่เดียวกันตั้งอยู่ในมุมมองเดียวกันนะเอาแหละก็ขอให้เริ่มต้นพร้อมๆกันเลยเ อ, อขึ้นต้นมานะไม่จําเป็นต้องไปนั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรายังไม่ได้มี ความสามารถที่จะเข้าสมาธิจนกระทั่งจิตตั้งมัน่นแล้วก็เกิดความปิติเอิบออาบซาบซ่านไปทั้งตัวเนี่ยนะอย่างนั้นมันเมื่อยขอบได้ง่ายถ้าหากว่าไปพยายามนั่งขัดสมาธิเพชรแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นขึ้นมานะนั่งเก้าอี้ธรรมดาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทํางานมันเหมือนกับว่ามีเก้าอี้อยู่ทุกคนทุกแห่งให้มาเป็นฐานที่ตั้งของการนั่งสมาธิได้อยู่แล้วนะเราเริ่มต้นจากตรงนี้กัน ตั้งต้นอย่าไปจำไว้เลยเป็นคีย์เวิร์ดนะใครเปิดมือถืออ่านไว้เนี่ยกลับไปฟังไว้ย้าไปย้ามาเลยนะตั้งต้นอาการของจิตเนี่ยถ้าหากว่าผิดมันไปผิดทางสุดกู่เลยแต่ถ้าหากว่าตั้งต้นไว้ถูกนะมันก็พร้อมที่จะขยับไปตามลาดับ1นสองสานะอย่าพยายามที่จะเพ่งลมหายใจอย่าพยายามที่จะตรึกนึกถึงคาบริกรรมใดๆเพราะว่าพอ ขึ้นต้นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความพร้อมนะไอจิตก็จะอยู่ในความเพ่งเล็งคับแคบแล้วก็แทนที่จะเกิดสมาธิแทนที่จะเกิดความสบายมันเกิดเป็นความรู้สึกเหมือนกับอึดอัดมีความรู้สึกเหมือนกับคับแคบไปถ้าหากใครพยายามนั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกอึดอัดคับแคบนะตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละเป็นเครื่องสะท้อนเป็นเครื่องแสดงว่า เรเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่มีความพร้อมทางใจแต่ก็ไปพยายามที่จะไปเพ่งไปพยายามที่จะบังคับจิตให้เกิดความสงบนอกจากจะไม่สงบแล้วมันยิ่งเกิดความคุ้งส่้านกระวนกระวายหรือเกิดความอึดอัดนะเป็นของแถมกลับมาแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากการสำรวจสังเกต ว่าสภาวะทางกายมันมีความพร้อมอยู่ไหมสภาวะทางกายมันมีความเคร่งเครียดอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้มันไม่ต้องออกแรงนะคือแค่ยอมรับตามจริงไปอย่างเช่นฝา่าเท้าที่วางราบอยู่กับพื้นถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงอาการอาการงอหรือว่าอาการงุ้มหรือว่าอาการเกร็งที่ฝ่าเท้านะก็ผ่อนคลายมันซะ ปกติเนี่ยนะเราจะไม่รู้ที่เท้าเราจะไม่รู้ที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรอกแต่ว่าจะรู้ที่ความอยากเฉพาะหน้าทีนี้ถ้าหากว่าเราเริ่มสังเกตเริ่มสำรวจนะว่าฝ่าเท้าของเราเกรงอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามีอาการงองงุ้มอยู่หรือเปล่าแล้วพบว่ามันมีอาการเกรงอยู่จริงๆด้วยนั่นนะมันสะท้อนแสดงนะว่าจิตใจกําลังมีความเกรงมีความเครียดมีความปุ้งซ่านอยู่แต่ถ้าหากว่าฝ่าเท้ามันผ่อนคลายสบาย สบายลงเราก็จะรู้สึกถึงความสบายที่จิตที่ใจด้วยเนี่ยมันเป็นเครื่องสะท้อนเครื่องสแสดงออกของพื้นจิตพื้นใจของเรานะีฝ่าเท้าเสร็จแล้วจากนั้นไล่ขึ้นมาสํารวจสังเกตฝ่ามือของเราที่วางราบอยู่กับหน้าตักดูว่ามันอยู่ในอาการกำไหมดูว่าฝ่ามือมีอาการเกร็งอยู่นิดนิดหรือเปล่าถ้าหากว่าฝ่ามือของเราคลายออกนะีวางสบายอยู่บนหน้าตัก เราก็จะรู้สึกสบายขึ้นมาครึ่งตัวนะทั้งฝ่าเท้าทั้งฝ่ามือมีความสบายมีความผ่อนคลายแล้วอย่างนี้จากนั้นไล่ขึ้นมาสํารวจที่ใบหน้าหัวคิ้วมีอาการขมวดหรือเปล่าหน้าผากมีอาการย่นหรือเปล่านะหรือขมับเนี่ยมีอาการตึงๆอยู่ไหมถ้าเรารู้สึกถึงอาการขมวดมันก็จะคลายลงเองคลายออกได้ด้วยความรู้สึกสบายผ่อนคลายไปทั้งหน้าถ้า ที่เท้าที่มือที่หน้ามันผ่อนคลายทั้งหมดเราจะรู้สึกสบายทั้งตัวนั่นก็เพราะว่ามัดเนื้อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยนะมันผูกอยู่กับ3จุดหลักๆนี่แหละฝ่าเท้าฝ่า ม, มือแล้วก็ใบหน้าถ้า3มจุดหลักๆนี้มันสบายมันผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งหมดมันก็ผ่อนคลายตามไปด้วยผลก็คือร่างกายมีความอ่อน มีความอ่อนสลวยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอ่อนอ่อนโยนควรแก่งานนะมันทำให้จิตเนี่ยมีความนุ่มนวลตามไปด้วยลักษณะของจิตที่มีความนุ่มนวลลักษณะของจิตที่ไม่มีอาการอยากไม่มีอาการเพ่งไม่มีอาการเคร่งเครียดคือลักษณะจิตที่พร้อมจะเป็นสมาธิตรงข้ามกับจิตที่มีอาการกระวนกระวายทยานอยาก หรือกระทั่งมีความฟุ้งซ่านมีความเครียดตามร่างกายตามสภาพร่างกายเนี่ยนะจิตแบบนั้นไม่มีความพร้อมที่จะเป็นสมาธิมีแต่ความพร้อมที่จะเพ่งแล้วก็ยิ่งไปเพิ่มความเครียดให้ตัวเองไ ป, ปเปล่าเปล่าเสียวเวลาเปล่าเมื่อสำรวจสังเกตแล้วว่าฝ่าเท้าก็ดีฝ่ามือก็ดีใบหน้าก็ดีมีความผ่อนคลายนะลองดูด้วยว่าสติ มันจะเหมือนเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นมันมาอยู่กับร่างกายที่กำลังอยู่ในท่านั่งอยู่ในเอรียาบทนี้แหละเมื่อเรารู้สึกถึงร่างกายที่มันกำลังนั่งหลังตรงคอตั้งหลังตรงนะก็สังเกตสังเกตเฉยๆนะไม่ใช่ไปรีบเร่งเอาล ม, ลมหายใจเข้ามาไม่ใช่ไปรีบเร่งที่จะระบายลมหายใจออกไป แต่แค่สังเกตเหมือนถามตัวเองเนี่ยนี่มันถึงเวลาที่จะร่างกายมันต้องการลมเข้าหรื อ, อยังถ้าร่างกายมันต้องการลมเข้ามันจะรู้สึกขาดลมมันจะรู้สึกหิวหิวลมหายใจนะตรงนั้นเราก็ปล่อยให้ร่างกายมันลากลมหายใจเข้ามาสบายสายเท่านั้นเองเมื่อลมหายใจมันเข้ามาสุดนะก็ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันระบายลมหายใจออกไป เป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นไปตามความอยากอย่างเวลาที่ลมหายใจมันสิ้นสุดมันระบายออกไปจนหมดเราก็แค่สำรวจสังเกตว่าธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันรีบร้อนอยากจะเอาลมหายใจเข้าทันทีหรือเปล่าถ้าเราสำรวจสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าร่างกายไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้าทันทีมันหยุดพักแป๊บหนึ่งก็ได้ในช่วงระยะเวลาแป๊บหนึ่งที่มันหยุดพักลมหายใจนั้นนะ่ มันก็เกิดความสงบไปอีกแบบสงบจากอาการไหวติงสงบจากลมเข้าลมออกสงบจากอาการของใจที่กระวนกระวายอยากรู้ลมอยากเร่งลมเข้ามาเร็วๆอยากเร่งลมให้อระบายออกไปเร็วๆนะมีแต่อาการของจิตที่มันอยู่กับตัวเองได้นิ่งอยู่กับความเป็นสภาวะที่ มันรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าของลมหายใจยังไม่ถึงเวลาออกของลมหายใจมีอยู่แค่สามภาวะ น, นี้ถึงเวลาเข้ามันก็รู้ถึงเวลาออกมันก็รู้ถึงเวลาหยุดลมก็รู้แล้วถ้าหากว่าเกิดความกระวนกระวายเกิดความฟุ้งซ่านอะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปสั่งไปบังคับตัวเองว่าจงเลิกฟุ้งซ่านนะ แต่แค่สำรวจสังเกตไปเนี่ยเวลาที่เราทุ้งสัน้นเวลาที่เรารู้สึกอึดอัดหนักๆเนี่ยสำรวจกลับไปที่เท้าจะเห็นเลยมันมีอาการเกรง็งมันมีอาการเหมือนกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันมรัดตัวแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรายังผ่อนคลายมันยังมีความสบายอยู่ฝ่าเท้ามันก็จะรู้สึกผ่อนพักนะไล่ขึ้นมาถึงฝ่ามือไล่ขึ้นมาถึงทั่วทั้งใบหน้ามันมีกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังกรรมที่ยังเก็งอยู่ไหม ถ้าหากว่าไม่มีอาการกรรมไม่มีอาการเกรง็งใจมันจะรู้สึกเหมือนโปร่งโลง่งนะมีความสว่างมีความสบายเป็นความสบายที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้นะมีสติรู้อยู่รู้อยู่ในเอียรียะบทนั่งที่มันมีลมเข้ามีลมออกอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มีความสบายในแบบพร้อมหลับแต่เป็นความสบายในแบบพร้อมที่จะตื่นรู้ถ้านะหากว่ามีอาการโซเซงกเงก มีอาการเหมือนจะง่วงไปบ้างนะเราก็รู้อีกว่าเออเนี่ยมันเป็นสภาวะทางใจที่ปรากฏก็แค่ยอมรับไปตามจริงมีอาการงกเง e พอเรารู้อยู่ <c oughs> เห็นอยู่ถึงอาการงกเงกก็จะรู้สึกว่าภาวะแบบนั้นเนี่ยไม่แตกต่างจากลมหายใจคือมันเกิดขึ้นมันผุดปรากฏขึ้นแล้วแป๊บหนึ่งมันก็หายไปมันเข้ามาในตัวเราแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายออกไปจากตัวเรา นี่คือสภาวะทางนามธรรมนี่คือสภาวะทางความรู้สึกไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรจะเบาจะหนักจะมีความรู้สึกว่าสว่างจะมีความรู้สึกว่ามืดสภาวะเหล่านั้นทั้งหมดมันไม่ต่างกับลมหายใจเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าลมหายใจกาลังเข้าหรือกาลังออกเราก็สามารถรู้อยู่เห็นอยู่ว่าสภาวะทั้งหลายจะมืดก็ดีจะสว่างก็ดีจะฟุ้งก็ดีจะสงบก็ดีเนี่ย มันเข้ามาในตัวเราแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ผ่านออกไปนีนะ่ตัวนี้แหละที่เป็นอาณาปานสติคําว่าอาณาปานสติก็คือการอาศัยลมหายใจเป็นตัวตั้งในการสังเกตทั้งภาวะทางกายและภาวะทางจิตาหากว่าหายใจเข้าแล้วเรารู้นะว่าเท้ากําลังเกรงเราก็ผ่อนคลายณนะลมหายใจนั้นนะจะเป็นตัวตั้งว่า เออเท้ากําลังเกรง็งลมหายใจต่อมามันก็เห็นว่าเออเท้าผ่อนคลายไปแล้วเช่นกันเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านในระหว่างลมหายใจใดลมหายใจหนึ่งเราก็เอาลมหายใจนั้นเป็นตัวตั้งในการบอกตัวเองว่านี่เรากําลังฟุ้งซ่านอยู่ลมหายใจต่อมามันจะสามารถสังเกตได้เลยนะว่าความฟุ้งซ่านนั้นน่ยมันต่างระดับไป มันอาจจะมีความฟุ้งซ่านเพิ่มขึ้นก็ได้มีความกระวนกระวายเพิ่มขึ้นก็ได้หรือความฟุ้งซ่านนั้นหายไปหรือลดระดับลงจะหายไปจะน้อยลงหรือว่าเพิ่มมากขึ้นมันล้วนแสดงความไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนลมหายใจที่เราอาศัยเป็นตัวตั้งว่า น, นี่กำลังฟุ้งซ่านอยู่หนาแน่นขนาดนี้ ไม่ว่าจะฟุ้งซ่านเรื่องอะไรนะมันมีลักษณะเหมือนกันคือจิตมันยุ่งยุ่งขึ้นมาเราเห็นจิตยุ่งยุ่งขึ้นมาที่ลมหายใจไหนจับไว้เป็นตัวสังเกตเลยลมหายใจต่อมามันยุ่งเท่าเดิมหรือว่ายุ่งน้อยกว่าเดิมหรือว่ายุ่งแม้แต่กระทั่งยุ่งมากกว่าเดิมเราก็เอาหมดนะเอาตามความจริงเอาตามความจริงด้วยความรู้สึกยอมรับ ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละไม่ได้ไปกระวนกระวายอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้มันลดลงหรืออยากจะให้มันมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการรู้เป็นการดูตามธรรมชาติที่มันปรากฏให้ดูไม่ใช่ไปเร่งไม่ใช่ปีอยากให้มันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างหนึง่งเรารู้เราดูอยู่ด้วยอาการยอมรับตามที่มันเป็น ในที่สุดมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสติสติเนี่ยหมายความว่าจิตมีความสามารถระลึกรู้ตามจริงตามที่มันกําลังเป็นอยู่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเมื่อสติเกิดขึ้นมีความสามารถระลึกรู้ตามจริงได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความคงเส้นคงวาขึ้นมาอย่างหนึ่งซึ่งเราจะรู้สึกได้ รู้สึกถึงความเข้มแข็งรู้สึกถึงความตั้งมั่นอันนั้นแหละเรียกว่าสมาธิสมาธิแบบพุทธสมาธิแบบพุทธคือจิตที่มันมีความตั้งมั่นเห็นอยู่ว่าอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นอยู่ว่าอะไรอย่างนั้นต้องดับลงเป็นธรรมดาเมื่อมีความตั้งมั่นรู้อยู่เห็นอยู่ว่าสิ่งในสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับลงเป็นธรรมดา สมาธิที่เกิดเรียกว่านะมันเป็นพุทธิปัญญาเป็นปัญญาแบบพุทธมีความตื่นรู้มีความเป็นผู้ดูผู้เห็นผู้แจ้งว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนับแต่ลมหายใจนับแต่เยริยาบทไปจนกระทั่งความรู้สึกนึกคิดสภ า, าวะจิตตั้งมั่นก็ดีสงบก็ดีฝุ่งซ่านก็ดีเนี่ย มันล้วนแต่กําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ทั้งสิ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมปรากฏต่อปัญญาของเราพุท ธ, ธิปัญญาของเราว่านั่นไม่ใช่ตัวตนแม้กระทั่งตัวพุท ธ, ธิปัญญาหรือสติผู้ดูสมาธิผู้เห็นมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะแม้แต่สมาธิเนี่ยมันก็เคลื่อน ตัวสติมันก็กลายเป็นไม่มีสติได้ตัวความรู้สึกจากภายในว่าทั้งหลายทั้งปวงกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ทั้งสิ้นนั่นน่ะคือความรู้สึกที่ถูกต้องแบบพุทธคือความรู้สึกเบาคือความรู้สึกโปรง่งคือความรู้สึกว่าไม่มีอุปทานครอบงํามีแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรอะไรที่กําลังปรากฏอยู่ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน นี่แหละตัวนี้ที่เขาเรียกว่าภาวะประจักษ์อนัตตาภาวะประจักษ์ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแค่ของมาประชุมประกอบเป็นชั่วคราวเอาละาถึงช่วงเข้าสู่คำถามนะเริ่มจากคนแรกเลยนะวันนี้จะถามอะไรครับ ก็จริงๆตั้งใจจะมาถามเรื่องอคือปกติจะมีปัญหาเรื่องการไม่ใช่มีปัญหาคือไม่แน่ใจตัวเองในการทำสมถธิครับคือคือบางทีแต่ก่อนทำก็จะเป็นเหมือนโมหะสมาธิมากกว่าแต่บางทีได้ลองทำตามที่แนะนำก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะเอาไปปรับใช้แล้วคิดว่าน่าจะได้คำตอบในสิ่งที่อยากได้ครับส่วนมีอะไรจะแนะนำก็เชยคเมื่อกูที่น้องทำเนี่ยนะคื อ, อ มันเหมือนพอมีความสงบมีความสว่างขึ้นมาเป็นแว บ, บๆอ่ะช่วช่วขณะสั้นๆเนี่ยมันติดใจมันรู้สึกดีใจนึกออกไมมทบทวนไปมันรู้สึกว่าเออดีดีจังที่มีภาวะแบบนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นปฏิกิริยาทางใจของเราว่าเออความรู้สึกแบบเนี้ยเป็นของดีเป็นสมาธิแต่จริงๆแล้ว ความรู้สึกติดใจความรู้สึกดีใจนะั่นแหละมันจะก่อให้เกิดมันจะกลายเป็นเชื้อแล้วก่อให้เกิดความผิดหวังถ้าครั้งต่อไปมันทำไม่ได้แบบนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆเนี่ยก็คือว่าให้ดูว่าสภาวะยินดีก็ตามหรือว่ามีความความสุขอย่างไงก็ตามเนี่ยนะภาวะเหล่านั้นเป็นเพียงความพรุงแต่งชั่วคราวของจิตคือน้องยังมีความคาดหวัง เกี่ยวกับเรื่องความสุขในสมาธิหรือว่าความรู้สึกสว่างความรู้สึกสงบคือจริงๆแล้วมันเป็นของดีนะแต่ถ้าหากว่าเราคาดหวังไอ้ตัวความคาดหวังนั้นไม่ดีละเนื่องจากแต่ละครั้งที่เราทำสมาธิเนี่ยมันจะมีแต่ความคาดหวังไปเรื่อยๆว่าเราต้องเอาให้ได้แบบนี้เสมอถ้าหากว่าไม่ได้มันก็ผิดหวัง หรือถ้าหาก Copy ไม่ได้เหมือนเดิมนะเราก็จะพยายามอยู่นั่นแหละให้มันเหมือนเดิมโดยไม่ได้สร้างเหตุเหมือนเหมือนแต่ก่อนสร้างเหตุเหมือนเก่าคืออะไรค่อยๆไล่สังเกตขึ้นมานะว่าฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าของเรามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเกร็งอยู่ไหมถ้าเกร็งอยู่แล้วก็คลายออกและด้วยอาการที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะปรับร่างกายปรับภาวะให้มันมีความพร้อมที่จะ ลองรับกับสมาธิจิตให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยไปสั ง, สงเกตว่าเออเนี่ยมันหายใจมันถึงเวลาหายใจเข้าถึงเวลาหายใจออกหรือว่าถึงเวลาหยุดลมหายใจถ้าสำรวจสังเกตอย่างนี้โดยไม่ไปนึกไม่ไปเลงว่าไอ้ครั้งก่อนเราทำได้ดียังไงแล้วจะพยายาม Co ับปมันก็เท่ากับสร้างเหตุอย่างเป็นไปตามลำดับโดยไม่มีความคาดหวังคือในใจเราเนี่ยจะไม่มีความอยากว่าต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนี้ ไอ้ความอยากที่จะเอาให้ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะถ้าหากมันเกิดขึ้นทุกครั้งก็หมายความว่าจิตมีอาการกระโจนมีอาการพยานอยากซึ่งนั่นเป็นปัญหาตัวตัญหานั่นคือความคือต้นเหตุของความทุกข์คือต้นเหตุของอาการกระวนกระวายไม่ใช่ต้นเหตุของสมาธิของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความกระวนกระวายอยู่ที่จะเอาความสว่างที่จะเอาความสงบนะพอเราเข้าใจอุปรสรรคที่แท้จริงของเราแล้วอย่างนี้ ต่อไปเวลาทําสมาธิมันจะค่อยๆไล่ไปตามลําดับไม่ใช่ไล่ไปตามความอยากเข้าใจนะเข้าใจพลอยนะว่าถ้าเกิดสมมติทําปุ๊บอยากคิดต่อยอดใช่ไหมครับให้เริ่มหนึ่งให้เริ่มนับอยาคิด Co อ ป, ปของเก่าอยากคิดต่อยอดอยากคิด Copy ของเก่านะเอาไปตามลําดับทุกครั้งพอถึงจุดหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วมันจะมีความตั้งมั่นอยู่แบบหนึง่งนะแม้กระทั่งว่าออกจาก การนั่งหลับตาแล้วเนี่ยจิตมันก็ยังมีความคงเส้นคงวาอยู่แบบนั้นเนี่ยอาจจะคาดหวังได้คือนึกขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันกลายเป็นสมาธิมันกลายเป็นปิติเบิกบานขึ้นมาทันทีแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก่อนจะถึงความเป็นปกติเนี่ยเราจำเป็นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับถ้าหากว่าผิดลำดับกระโดดข้ามขั้นนะไม่เป็นไปตามขั้นตอนแล้วเนี่ยผลมันจะ วนเวียนวกวนเป็นภายเรือในอ่างเป็นสิบปีเป็นยี่สิบปีโดยไม่ได้อะไรก้าวหน้าขึ้นมานะมีคนที่พยายามทำสมาธิที่ผมรู้จักเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า 90% อร์เซนหลงวนอยู่กับที่ตลอดชีวิตเพียงเพราะไปตั้งความคาดหวังผิดๆบางคนเนี่ยคือเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดก็มีนะ บวชตั้งแต่เป็นเนนแต่ทำสมาธิยังไม่ได้สาเหตุเพียงเพราะว่าพยายามทำตามที่คือจะไปเรียนแบบไปพยายาม copy คําคำเล่าคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์นคือโดยไม่ได้ดูลำดับความสามารถที่แท้จริงของตัวเองมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะอย่าคิดนะอย่าคาดหมายนะว่า เราทำสมาธิไปเรื่อยๆทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าเรามองผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นแค่นิดเดียวเนี่ยมันหลงวนแบบนี้ทั้งชาติทั้งชีวิตเลยเนะเราอันนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการจเจริญวิปัสสนาไหมครับมีตัวไหนขวางอะไรบ้างไหมครับของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคาดหวังคาดหวังอย่างโน้นคาดหวังอย่างนี้นะพอทำทำไปนิดนึงไปนึกถึงมรรคผลแล้ว ท ำ, ทำไปนิดนึงไปนึกถึงว่าไอ้นี่เราจะได้ญาณขั้นไหนคือกระโดดหมดเลยมันไม่อยู่กับภาวะตรงหน้าภาวะตรงหน้าเนี่ยนะวิธีที่เราจะอยู่กับมันได้จริงจริงเนี่ยคือฝึกที่จะยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่พวกเราไม่ได้ฝึกแบบนั้นเราเทรนตัวเองให้คาดหวังมาตั้งแต่เด็กๆนะในการเรียนรู้ทางโลกในการทำงานทางโลกเนี่ยเขาสอนให้เราคาดหวัง เขาสอนให้เรามุ่งมั่นแล้วก็สอนให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ซึ่งมันก็ถูกตามแนวทางโลกนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความอยากไม่ตั้งความคาดหวังไม่มีความมุ่งมั่นไว้เนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับไม่มีแรงขับดันให้เคลื่อนไปข้างหน้าแต่ในทางธรรมเนี่ยนะขึ้นต้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสนะว่าให้ใช้ตัญหาเป็นตัวตั้งในการดับตัญหา หมายความว่าพอเราได้ยินว่าคนนั้นคนนี้บรรลุมรรคผลคนนั้นคนนี้ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติธรรมได้ชานได้ยานได้อะไรต่างๆเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเออมีแรงบันดาลใจอยากเอาให้ได้แบบเขาบ้างแต่พอเรามีความอยากนั้นตัวความอยากมันจุดชนวนเราให้เข้าเส้นทางได้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะก็ควรจะออไม่คาดหวังอะไรนอกเสียจาก เราจะได้รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นไม่คาดหวังอะไรมากไปไปกว่าจะยอมรับเนี่ยว่าตอนนี้กําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกตอนนี้กําลังมีความทุกข์มีความอาึดอัดหรือว่ามีความสุขอยู่มีความสบายอยู่คนส่วนใหญ่เนี่ยเราลองสํารวจตัวเองเนะถ้าเกิดมีความฟุ้งซ่านถ้าเกิดมีความอึดอัดอยู่เนี่ยมันจะไม่พร้อมมันจะไม่อยากรับรู้อยากปฏิเสธอยากจะให้มันหายไปทันดี แต่ถ้าตอนมีความสุขมีความรู้สึกปิติอยู่มีความสว่างอยู่แหมอยากยอมรับนะอยากให้มันเป็นตัวของเราอยากให้เป็นของของเราล้วก็จะเกิดความรู้สึกเสียออกเสียใจถ้าหากว่าไอของตรงนั้นมันหายไปเนี่ยตรงนี้แหละเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติของจิตเวลาที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องยากที่สุดไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติตามรูปแบบแต่เป็นการยอมรับ สิ่งที่มันกำลังปรากฏอยู่ตรงตามจริงในปัจจุบันไม่กระโดดไปข้างหน้าซะก่อนแล้วก็ไม่ท้อถอยอคิดเสียดายคิดเสียใจไปในอดีตซะก่อนนะจิตของจิตของมนุษย์เนี่ยถูกฝึกไว้อย่างนี้ถ้าไม่พุ่งไปข้างหน้าก็ย้อนไปข้างหลังอย่างใดอย่างหนึ่งคื อ, อฟังดูเนี่ยมันเหมือน c o มมอนเซนต์นะว่าเอความจริงตรงหน้ามันได้จะยอมรับกันได้ง่ายๆแต่ถ้าสารวจเข้ามาที่จิตที่ใจนะไม่ใช่เลย ตลอดชีวิตมาเนี่ยเราถูกฝึกโดยคนอื่นแล้วก็เทรนตัวเองให้ไม่ยอมรับความจริงที่กลังปรากฏไม่พอใจความจริงที่กลังอยู่ต่อหน้าต่อตาจะนอกตัวก็ดีหรือในตัวก็ดีเวลาที่เรามาฝึกเรามาปฏิบัติหรือมาเทรนตัวเองในแบบพุทธเนี่ยคือเริ่มจากตรงนี้ รพระพุทธเจ้าให้เริ่มยอมรับง่ายๆอะไรที่มันไม่ต้องฝืนใจยอมรับอย่างเช่นลมหายใจเนี่ยนะท่านให้รู้ว่าตอนนี้กําลังหายใจเข้าอยู่หรือกําลังหายใจออกอยู่ซึ่งคนเนี่ยโดยจิตเนี่ยนะที่มันถูกเทรนมาไม่ให้ยอมรับตามจริงเนี่ยมันจะเกิดความทุรนทุรายขึ้นมารู้แค่นี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรมันจะถูกกระตุ้นให้อยากไปคิดเรื่องอื่นอยากไปทําอะไรฉลาดฉลาดมากกว่านี้อยากจะไป ทำให้มันได้ปัญญาได้ญาณได้ปรากฏการทางจิตอะไรที่มันพิสดารไปกว่านี้ไม่อยากยอมรับอ่ะไอ้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอไม่อยากยอมรับซะแล้วว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่มันก็ไม่มีความสามารถที่จะไปรู้ได้ว่าลมหายใจที่ปรากฏอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เท่าเดิมนะเดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวไอ้ที่มันเข้าที่มันออกอยู่มันคนละชุดกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่เราไม่เคยรับรู้ เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวไม่มีแก่ใจพอที่จะไปยอมรับให้สภาวะที่กาลังปรากฏอย่างง่ายๆตรงหน้าันจะไปเอาอะไรที่มันเกินออกไปนะนึกถึงมรรคนึกถึงผลนึกถึงฌานนึกถึงญาณแต่ไม่นึกถึงเหตุที่มันเป็นขั้นบันไดของมรรคของผลเอาละเนี่ยก็คือข้อสรุปนะของของน้องเนี่ยคือ มันก็มีความตั้งใจลองสังเกตตัวเองนะคือบางทีมันก็มีความตั้งใจจริงจังขึ้นมาวู้บูบาบ้แต่พอทําไม่ได้ผลมันก็รู้สึกเป๋มันก็รู้สึกเหมือนกับว่าหายไปไฟที่จะปฏิบัติเนี่ยนี่ก็เเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยมันมันมันยกขึ้นมาแค่นี้นะแล้วเสร็จแล้วไอ้สิ่งที่มันตามความคาดหวังมามันไปได้ไม่ถึงครึ่งไปได้ไม่ถึงตัวความคาดหวัง มันก็เลยหดกลับลงมาตกกลับลงมานะถ้าหากว่าเรามาสำรวจสังเกตเฝ้าสารวจเฝ้าสังเกตตรงนี้ดีๆว่าความคาดหวังมันพุ่งขึ้นมามันคือจินตนาการทั้งนั้นมันคือหาไปข้างหน้าทั้งนั้นมันคืออยากได้สิ่งที่ยังไม่มียังไม่ปรากฏในปัจจุบันทั้งนั้นมันก็จะค่อยๆลดระดับความคาดหวังลงมาเองคือปัญญาเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นจิตมันจะค่อยๆฉลาดขึ้น ตามจำนวนครั้งที่เราเห็นตามจริงนะว่าความคาดหวังที่สูญเปล่ามันไม่ได้ช่วยให้เราคืบหน้าไปเลยตรงเงินข้ามมันผลักเราให้ถอยหลังด้วยซ้ำนะในหลายๆโอกาสค่ะก็เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วมั้เนี่ยเปล่าคะ่ะแต่ว่าชวนกันมาค่ะค่ะก็เคยมาเมื่อสองปีที่แล้วคะ่ะเราเคยถามคุณนางตินนะคะบอกว่าหมันกับว่าหวา น, นมีโมหะอยู่ในตัวเยอะคะ่ะ ก็เลยลองปฏิบัติมาเรื่อยๆจนมีช่วงหลังๆมาเหมือนจะเริ่มหย่อนลงไปเพราะว่าอาจจะงานหนักแล้วมันเหนื่อยแล้วพอทําแล้วมันก็เพียก็เลยไว้นั่งสมาธิกับสดมนพยายามจะดึงตัวเองมาสวยค่ะแต่นั่งสมาธิจะรู้เลยว่าเราง่วงมากค่ะก็เลยจะขอคําแนะนํานิดนึงค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งเนี่ยนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีโมหะอะไรพุ่มอยู่นหน่อยๆแต่ว่ามันจะมีกําลังมากกว่าเรานั่งเองเพราะฟังพี่พูดไปนะ นี้ถ้าหากว่าพิจารณาว่าตอนที่เรานั่งสมาธิของเราเองเนี่ยมันเป็นการนั่งอยู่ด้วยอาการทางใจแบบไหนต้องสังเกตตัวเองดีๆน ะ, ะมันมันเหมือนกับมีความรู้เยอะแยะแต่เสร็จแล้วพอนั่งหลับตาเท่านั้นลืมหมดนึกออกใช่ไหมคือพอนั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยนึกไม่ออกแล้วว่าเราจะเริ่มหนึ่งสองสามอะไรยังไง ถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยขอแนะนำว่าให้ฟังที่ที่เอาไปแปะไว้ในในเนะ็ตเนี่ยที่เอ่อ s o u d l c o m d a m p r i n มันจะมีวิธีนั่งแบบที่คล้ายๆแบบที่สอนไปในช่วงแรกนี่แหละนั่งปังไปด้วยมันจะไม่มันจะได้ไม่ไม่หลงทางเพราะของเร า, าคือ เราเรารู้หมดแล้วแต่ว่าข้างในเนี่ยมันยังเหมือนหลงอยู่ในป่าเราจะรู้สึกเหมือนกนัพอนั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยมันไปไม่ถูกแต่ในระหว่างวันเนี่ยคือถ้าเราเอามาใช้เจริญสติมันจะได้มากกว่าตอนนั่งสมาธินะเราจะรู้สึกเหมือนกัเอออย่างถ้าเดินจงกรมเราจะรู้สึกถึงเท้ากระทบหรื อ, อดูเข้ามาเนี่ยมันมันจะมีสติมากกว่า เหตุผลก็เพราะว่าพอไม่หลับตาเนี่ยมันจะมีโมหะน้อยน้อยลงนะของเราคือเหตุผลมันเพราะอย่างนี้คือเวลาที่อยู่ในอารมณ์แบบอยู่ในอารมณ์ช่างฝันนะอะไรแบบเนี้ยเราจะออกแนวแบบมีจินตนาการมีนึกภาพค่อนข้างจะ เ, เป็นตัวเป็นตนน่ เราเราจะรู้สึกว่าโลกความจริงกับโลกจินตนาการของเราเนี่ยบางทีมันเหมือนสองโลกเลยนะโลกความจริงโลกหนึ่งโลกจินตนาการมันอีกโลกหนึ่งมันแล้วเราจะยึดมั่นจิตของเราเนี่ยมันจะยึดมั่นเ อ, อค่อนข้างแรงในส่วนที่มันเป็นจินตนาการส่วนที่มันเป็นแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยเแม่นคนที่มีแฟนตาซีแรงๆเนี่ยเวลานั่งสมาธิมันจะนึกอะไรไม่่อยออก มันจะเหมือนกับมีโมหะเรารู้ได้ซ้ำว่าเนี่ยเขาเรียกโมหะที่มันที่มันมืดมืนอยู่ที่มันปกคลุมอยู่นั่นเพราะว่าเราฝึกให้ตัวเองเนี่ยจิตของเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ฝึกจิตของเราสะสมความเคยชินที่จะไม่อยู่กับความจริงตอนที่หลับตาตอนที่ไม่ต้อง เ, ออเห็นโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่กับโลกภายนอกเราก็เทรนตัวเองมาอีกแบบหนึง่งคือรับรู้ความจริง รู้ว่าจะต้องทํางานอย่างนี้รู้ว่าจะต้องเรียนอย่างนี้แล้วก็ใจเนี่ยมันจะเหมือนกับเออก็มีสติอยู่กับอะไรแบบนั้นได้จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่นะเราค่อนข้างจะเทรนตัวเองให้อยู่กับโลกความจริงได้ค่อนข้างชัดเจนนะดันั้นพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสติมากกว่าตอนที่หลับตานี่คือเหตุผลที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึง นั่งสมาธิไม่เคยได้แต่ทําไมเดินจงกลมมันดูเหมือนเดินได้เนะีเวลาเดินยงกลมนูแค่เท้ากระทบไปแล้วก็เวลาปุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยของเราจะปุ้งซ่านบ่อยเวลาเดินยงกลมถ้าวิ่งได้จะดีวิ่งวิ่งแป๊ะแป๊แปะ๊แปะไปเนี่ยออกกาลังกายเนี่ยนะจะจ๊อกจิ้งหรือว่าจะอยู่บนสายพานก็แล้วแต่เนี่ย ให้รู้สึกถึงเท้ากระทบไปแล้วพอเวลาฟงสั้นขึ้นมาเราก็รู้ว่าเออเนี่ยมันมีเหมือนกับคลื่นมีเหมือนกับมเมฆหมอกอะไรรบกวนอยู่ในหัวแล้วก็ดึงความรับรู้กลับมาที่กระทบที่เท้าเนี่ยในคลื่นความฟงสั้นมันก็จะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นนะออจิตของเราเนี่ยคือเราสังเกตนะสํารวจสังเกตเวลาที่มันไม่พอใจ มันจะรู้สึกมืดตื่อเลยเข้าใจคําว่ามืดไหมมันจะเหมือนมีอะไรมาอัดอยู่ในตัวแล้ว อ, อึดอัดแล้วเราก็ไม่ชอบความรู้สึกนั้นเลยเพราะเราเคยเจอภาวะที่มันปลอดโปร่งมาก่อนแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเ อ, อย่างบางทีเนี่ยความไม่พอใจหรือความเกลียดชังคนหรือว่าความรู้สึกขุ่นเคืองเนี่ยนะมันเรารู้ว่าเป็นของไม่ดีเราไม่ได้ต้องการที่จะไปพยาบาทไปอาฆาตพยาบาทใครทั้งนั้นแหละ แต่ว่ามันมันบางทีเนี่ยนะความที่ว่าพื้นเดิมเนี่ยมันมันพอไม่ชอบใจอะไรแล้วมันมันผูกนานผูกอยู่นานปล่อยให้มันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความหนาแน่นในระดับหนึ่งนะตรงนั้นมันก็เลยเหมือนกับถอนยากเพราะเราสั่งสมความเคยชินที่จะปล่อยให้มันมืดที่จะปล่อยให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนวิธีที่ดีที่สุดนะไม่ใช่ไป งุดหงิดตัวเองซ้ำซากเข้าใจป่ะมันซ้ําซ้อนเข้าไปเอเอความรู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่พอใจคนอื่นมีอยู่แล้วแล้วพอทําไม่ได้อย่างใจปล่อยไม่ได้อย่างใจเรารู้สึกไม่พอใจตัวเองซ้ําเข้าไปอีกคือมันเหมือนไม่ได้อย่างใจทํามาตั้งนานทําไมไม่ได้สักทีพอบอกตัวเองอย่างนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าอะไรอะไรมันไม่น่าพอใจไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเราเอง ตอนนี้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วด้ยซ้ำเราะว่ามันยังมีความเบาบางนะมันมันยังรู้สึกถึงว่าอะไรข้างในเนี่ยยังมีความปลอดโปร่งยังมีความสดชื่หนหลงเหลืออยู่แต่ก่อนนี้ถ้ามืดแล้วมืดเลยมืดตืเลยไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ความรู้สึกแห้งแลง้งนะแทนที่เราจะไปพยายามแกล้งอภัยหรือว่าถอนความไม่พอใจออกมานะคือแค่ มองให้เห็นเป็นภาพของจิตเพ่าจิตของเรากำลังมืดมากเมื่อกี้พอพี่พูดไปเรานึกถึงความมืดออกเห็นไหมตอนนี้มันรู้สึกสว่างขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าตรงจุดเดิมเนี่ยมันเหมือนกับไปพยายามเอาชนะความมืดเข้าใจคำว่าพยายามเอาชนะความมืดไหมเหมือนเห็นมันเป็นศัตรูเหมือนเห็นเป็นสิ่งที่เราต้องไปรบกับมัน แต่แล้วพอรู้สึกว่ายังอึดอาจอยู่ยังมืดอยู่มันไปทิ่มแทงตัวเองอีกว่าเฮ้ยไม่เอาไหนเลยมันไม่พอใจตัวเองแทนที่ความมืดจะถูกรู้มันกลายเป็นถูกทวีกำลังขึ้นไม่พอใจคนข้างนอกไม่พอมาไม่พอใจตัวเองซ้าเข้าไปอีกแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ไปรบกับมันไม่ได้ไปต่อต้านไม่ได้ไปฝืนใจอะไร พอพี่พูดถึงความมืดปุ๊บเราบอกเออนึกออกว่านาตามันเป็นยังไงแล้วมันค่อยๆสว่างขึ้นมาเพราะเราเห็นว่ามันเป็นภาวะภาวะหนึ่งเป็นแค่ของแปลกปลอมที่ปรากฏให้รับรู้ได้พอรับรู้มันก็ไม่ได้มีอะไรต้องทำมากกว่านั้นมันหายไปเฉยๆเนี่ยไอ้ตรงนีนะ้ที่หลายๆคนบอกยิ่งจ้องไปนานแค่ไหนความโกรธก็ไม่เห็นจาหายไปสักทีความเกลียดไม่เห็นจะ เบาบางลงสักทีก็เพราะว่ามันไปจ้องไงไปจับจ้องในลักษณะยึดไม่ใช่รู้ในลักษณะปล่อยนี่ยังเมื่อกี้เนี่ยอาการโดยอาการเนี่ยมันแค่ทบทวนนึกออกเฉยเฉยไม่ได้ไปรบอะไรกับมันทั้งสิ้นแล้วก็เกิดความสว่างขึ้นมาแทนที่เองโดยไม่ได้ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องเกลียดตัวเองเพิ่มในหัวเราบางทีเนี่ย มันเต็มไปด้วยความคิดซับซ้อนนะแล้วมันมันก้มกึ่งอยู่ระหว่างความฝันกับความจริงเคยรู้สึกัหมมันเหมือนกับความจริงเรารับรู้ทุกอย่างนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งที่มันคอยจะไหลไปหาความฝันเนี่ยมันปฏิเสธบางครั้งไม่ไม่อยากจะยอมรับความจริง คือทั้งๆ ท, ที่เรารู้หมดทุกอย่างว่าคนเขาพูดอะไรมันมีเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรยังไงแล้วเราสมควรที่จะเข้าไปอยืนตรงตำแหน่งไหนของความจริงนะมันถึงจะลงเลยคือเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนกับฝืนๆอยู่มีความขัดแย้งอยู่ซึ่งบางทีตัวเราอธิบายไม่ได้ด้วยซ้าคือคืออธิบายเป็นคาพูดแบบที่พี่พูพดเงี้ยนะพอนึกไม่ออกว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่ามันรับได้ไม่สุด ครั้งๆ ท, ที่ก็เข้าใจหมดแล้วอันเนี้เป็นเพราะว่าเวลาเราฝันเราฝันจริงเหมือนกันคือมันปไปยุดจินตนาการยึดอะไรที่มันแบบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่มันเกิดขึ้นได้จริงนะนะพอเราเข้าใจที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วก็มองสามารถมองจิตตัวเองโดยความเป็นภาพของจิตภาพของอารมณ์ต่อไปเวลาที่เราจะเจริญสติ มันจะไม่เจริญสติด้วยอาการอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรือบ่นกับตัวเองว่าไม่เข้าใจตัวเองนะเคยเคยไหมที่แบบรู้สึกไม่เข้าใจตัวเองเลยวะทำไมมันถึงอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เนี่ยต่อไปมันจะไม่มีคำนี้เพราะถ้าหากว่ามีความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่เข้าใจตัวเองเลยก็ให้ดูตรงนั้นแหละว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วระหว่างความสว่างกับความมืดความจริงกับความฝันความรู้สึก อารมณ์ทางอารมณ์กับเหตุผลที่มันมีอยู่จริงๆนะอย่างไั้อย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะเกิดความเข้าใจในอีกแบบหนึ่งว่าจะดูอย่างไรก็ดูตรงที่มันกําลังปรากฏอยู่ตามจริงเนี่ยพอดูปุ๊บมันก็จะหายมันก็จะคลายจากอาการยึดนะเอย่างตอนเนี้ยที่ใจมันสบายมันรู้สึกเหมือนมีปิติขึ้นมาค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างทีละลารอกเนี่ยใช่ไหมมันมันรู้สึกถึงปิติ ทีละลอกทีละละลอก ท, ละละละ ท, ทีละนิดตัวเนี้ยถ้าพี่ไม่ชี้เราเราเห็นไหมแต่ตอนนี้เห็นใช่ไหมที่มันขึ้นมาคือไม่ได้ตลอดเวลาเนะีเหมือนน้าพุพุ่งขึ้นมาทีละวาบทีละวาบเนี้ยถ้าชี้ให้เห็นอย่างนี้ต่อไปจะเห็นเองได้ไหมอ่านั่นแหละนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะเห็นอาการของใจจริงๆอาการของกายจริงๆนะโอเคสวัสดีครับคือ ปกติผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างมากแล้วก็ก็เลยอยากจะทําอสุภกรรมฐานแต่ว่าปรากฏว่าใจไม่ไม่เอาเลยคือมันมันกอสุภกรรมฐานของจริงเนี่ยนะ <c oughs> ไม่เหมาะกับค า, วารวะเรานี่พูดกันตรงไปตรงมาราว่าคารวะเ น, นี่ยมันมีโอกาสเจออะไรเยอะที่มันมายั่วใจแล้วก็มันไม่ได้มีหน้าที่ที่จะถอนจิต ออกจากความยึดมั่นถือมั่นแบบโลกโลกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันเอาแค่ว่าทางานสายอาชีพไม่ว่าจะอาชีพไหนเนี่ยมันก็ผูกกับกิรติเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนกับไปกระตุ้นให้เกิดความทยานอยากทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วนะและถ้าหากว่าความทยานอยากมันเกิดขึ้นเนี่ยมันผูกโยงกันหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับราคาหมดแหละตัวโลภะกับตัวราคาเนี่ยมันก็ อันเดียวกันนะ่ยนะความอยากได้ถ้าตราบใดยังอยากได้ตราบนั้นราคายังอยู่ที่นั่นเสมอบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นการตายด้านเป็นอะไรไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วแต่จริงๆเนี่ยมันแค่เกิดภาวะขัดข้องทางเทคนิคนมันไม่ได้หายไปจริงๆรใะนั้นคืออย่าไปคาดหมาย ว่าเราอยู่ทางโลกแล้วเนี่ยเราจะเจริญอสุภกรรมฐานได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นมาจเจริญสติอย่างอื่นมาจนกระทั่งจิตมันมีความตั้งมั่นเข้าขั้นที่เฉียดชาญอยู่แล้วอย่างนั้นถ้าไปจเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยมันจะง่ายมากมันจะง่ายแบบพลิกฝ่ามือเลยนะถึงแม้ว่าใจไม่ไม่เป็นพระก็ตามแต่ตอนนี้เอาละคือ เรารู้ว่ารู้ตัวว่าของเรายังต้องอยู่แบบโลกโลกเนี่ยนะยังไม่ต้องไปรีบร้อนทำมาสุภาษกรรมฐานด้วยความคาดหมายว่าเออมันจะมาช่วยบรรเทาอะไรตรงนี้เราเริ่มต้นจากการที่ตั้งธงไว้ก่อนนะว่าเราจะรู้ความเป็นกายให้ได้ ส ต, ติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านไม่ได้สอนกระโดดขึ้นไปให้รู้อสุภกรรมฐานทันทีท่านสอนให้รู้ลมหายใจให้ได้ก่อนถ้ารู้ลมหายใจไม่ได้ให้ตลอดไม่ได้ให้เป็นปกติเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามารับรู้กายเนี่ยมันก็น้อยบางคนรับรู้กายได้ตลอดก็จริงแต่เป็นการรับรู้แบบทื่อๆเหมือนผีดิบเหมือนกับร่างกายเนี่ยมันเป็นของแข็งๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะรู้ก็จริง แต่ไม่เห็นอะไรเลยเข้าใจั้มคือมันเหมือนกับเป็นหุ่นอะไรทื่อๆรู้ไปอย่างนั้นน่แต่ไม่สามารถที่จะเจาะเข้ามาในรายละเอียดได้นั่นก็เพราะว่าจิตไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรู้รายละเอียดของร่างกายไม่มีคุณภาพมากพอที่จะสว่างแล้วก็ส่องเข้าไปเห็นนะตับไตไส้ปุงอะไรได้นันมันไม่มีประโยชน์ไปพิจารณาว่าเออออกมามันเหม็น นะหรือว่าขี้หูขี้ตามันไหลออกมาตลอดเวลามันได้แค่แป๊บเดียวมันได้แค่อารมณ์รังเกียจขี้หูขี้ตาหรือว่าอุจระที่ไหลออกมาปัสสาวะที่ไหลออกมาแต่ไม่ได้อารมณ์ที่เรียกว่าอาสุภกรรมฐานอย่างแท้จริงจําไว้ว่าอาสุภกรรมฐานอย่างแท้จริงนะไม่ใช่อารมณ์รังเกียจร่างกายอย่างเดียวแต่เป็นอารมณ์ที่จิตเนี่ยถอนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นของสวยของงามของหน้าเสพของหน้าสัมผัส จิตมันยังมีความตั้งมั่นพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าอานนี้สงของการเจริญอสุภกรรมฐานที่แท้จริงคือจิตที่มันมีความเด่นดวงตั้งมั่นเป็นฌานได้ง่ายนี่พอเราทำความเข้าใจถึงภาพรวมอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ไปตั้งมุมมองผิดๆว่าเราควรจะเจริญอสุภกรรมฐานนะแต่เราควรจะไปขึ้นไปตามลำดับ รู้ลมหายใจให้ได้แล้วก่อนอย่างที่พี่สอนไหมนะตอนแรกเนี่ยพอรู้ลมหายใจได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยสังเกตเห็นอ่านออกนะว่าลมหายใจเนี่ยมันคละชุดกันทั้งนั้นเลยจิตมันจะมีความตั้งมั่นแล้วก็แยกออกไปเป็นผู้รู้ผู้ดูลกลองลมทั้งปวงมันไม่เที่ยงเพราะจิตมีความสามารถที่แยกออกไปเป็นผู้ดูผู้ดูนะว่าเออเนี่ยลมหายใจเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเนี่ย มันก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงคือว่าอิรียบ ท, ที่กำลังเป็นที่ตั้งของลมหายใจยอยู่นี่เนี่ ย, ยจะเป็นนั่งก็ดีจะเป็นยืนก็ดีจะเป็นเดินก็ดีเนี่ยมันอยู่ในอีรียบทใดก็แล้วแต่เนี่ยจิตมันสามารถรู้ได้เช่นกันรู้ได้ว่าอิรียบทนั้นๆนะมันมันสักแต่เป็นธาตุสักแต่เป็นอะไรแข็งแข็งนะที่เคลื่อนไหวไป ม, มันจะรู้ชัดเลยนะจิตที่มีคุณภาพเนี่ยรู้อยู่ตลอดเวลา พอรู้อยู่ตลอดเวลาไปได้เรื่อยๆว่าเออเนี่ยสภาวะของร่างกายมันกําลังเคลื่อนไหวหรือกําลังหยุดอยู่ไอความสว่างที่มันปรากฏอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเจาะทะลวงเข้าไปได้เองนะถ้าเราปราถนาที่จะเห็นเข้าไปข้างในมันจะรู้สึกเหมือนกับมีโครงกระดูกมันจะรู้สึกเหมือนว่าไอที่ขยับได้เนี่ยมันไม่ใช่กล้ามเนื้อขยับอย่างเดียวนะแต่กล้ามเนื้อเนี่ยมันดึงโครงกระดูกให้มันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยแล้วที่คอตั้งหลังตรงอยู่ได้ก็เพราะว่า ถูกดามไว้ด้วยกระดูกสันหลังถ้าเราค่อยๆเห็นไปตามลำดับเนี่ยนะวันหนึ่งบางทีไม่ต้องตั้งใจนะนอนๆน อ, นอยู่อย่างเงี้ยกลังเคลิ้มๆแต่จิตมันยังสว่างมันยังมีความพร้อมที่จะรวมกระแสอยู่เนี่ยอยู่ๆมันเกิดผุดความเห็นขึ้นมาเองยังก็กล้องอ น, นิคเเรนะว่าตับใต้ไส้พุงหน้าตาเป็นยังไงคือไม่ใช่แค่เห็นนะมันได้เป็นกลิ่นคาวคาวเลือด ได้เป็นกลิ่นไอเศษของสมมุติว่าจิตกําลังโฟกัสไปที่ของเสียเนี่ยนะมันได้กลิ่นเป็นอุจระประสะัสสะแล้วมันได้กลิ่นแบบที่ว่าเคือปกติเนี่ยคนเราจะได้กลิ่นต่อเมื่อมันออกมาจากร่างกายแต่นี่รู้สึกว่ามันยังอยู่ในกายเลยพอรู้สึกว่าอุจระประสะัสสะมันยังอยู่ในกายอยู่ในความเป็นธาตุที่มันมาเศษเลือดเศษเนื้อมันมาปนปนกันอัดอัดนับยัดเยียดกันอยู่เนี้ย มันมันจะเห็นเหมือนกับถุงใส่อึ่ถุงใส่ชีแล้วรู้สึกอย่างนั้นเป็นปกติคือรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันมันไม่น่าเอาจริงๆคือไม่ใช่มาแกล้งทําเป็นไม่น่าเอามันเห็นออกมาจริงๆนะว่ามันน่ารังเกียจยังไงพอเห็นอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยเข้าไปหมกอยู่กับความน่ารังเกียจของกายจนกระทั่งทนไม่ไหวนะสมัยพุทธกาลเคยมีคนเจริญอสุภกรรมฐานผิด ฆ่าตัวตายก็มีวันให้คนอื่นฆ่าก็มีที่ถูกแล้วก็คือว่าจิตเมื่อเห็นความเป็นจริงที่เป็นรายละเอียดภายในของร่างกายมันสามารถตั้งมั่นอยู่ได้มันสามารถที่จะแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูดเป็นตั้งหากจากร่างกายคือเหมือนกับจิตเนี่ยเป็นดวงสว่างใหญ่ๆดวงหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังการเห็น และไม่เกี่ยวข้องกับความน่ารังเกียจตรงนั้นคือมันรังเกียจไม่เอาเฉยๆแต่ไม่ใช่ไปเกิดความทุกข์เกิดความกระวนกระวายขึ้นมาถ้าตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าถึงย้ำหนักย้ำหนาบอกว่าก่อนจเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยต้องเอาอาณาปานสติให้ได้ก่อนถ้าหากว่ามีความสุขมีความสบายจากอาณาปานสติแล้วค่อยไปจเจริญอสุภกรรมฐานมันจะได้สมดุลพอดีคือความตั้งมั่นอยู่ในอาการไม่ยึดไม่มีราคะ แล้วก็ไม่รังเกียจตัวเองจนกระทั่งอยากฆ่าตัวตายพูดง่ายๆไต่ไปตามลำดับดีที่สุดเซฟที่สุดนะครับสวัสดีครับคุณดังตื่นเมื่อสามปีก่อนผมเคยได้ถามคุณดังตื่นที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติตอนนั้นยังทำสมาธิไม่เป็นคุณดังตื่นก็มีเวลาน้อยได้แนะนำว่าให้ไปดูวิธีทาซึ่งจะคล้ายๆกับตอนอเหมือนกับตอนที่เริ่มต้นชั่วโมงอันนี้ก็พอทาแล้วก็ติดเรื่องของ ช่วงแรกว่างๆมันก็ดีครับพอถึงเวลาวุ่นชีวิตวุ่นวายเหมือนโดนเหมือนลากไปทําให้แบบไม่ค่อยได้ความต่อเนื่องนะครับก็ยังจากรบกวนถามว่าอ่ายังอยู่ในทางอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วการทําสมาธิเนี่ยมันเป็นแค่ตัวตั้งเป็นแค่แรงตั้งต้นให้เรามีแก่ใจจะไปเจริญสติต่อในชีวิตประจําวันแต่ถ้าหากว่าเราฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่การทําสมาธิเนี่ยนี่แปลว่าเรามองอะไรผิดแล้วนะ จุดเริ่มต้นที่เราจะมีสติได้ก็คือการเห็นเข้ามาในตัวซึ่งมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการหลับตาแล้วก็มานั่งดูลมหายใจนั่งดูภาวะความรู้สึกนึกคิดที่มันปรากฏขึ้นมาระหว่างที่เรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกแต่พอได้สมาธิได้แนวทางที่จะมองเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปเจริญต่อ ในชีวิตประจำวันไม่ว่ามันจะทุกข์ไม่ว่ามันจะสุขแค่ไหนเราก็เห็นไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็คือก้อนภาวะอะไรแบบหนึ่งมืดๆนะฮะหรือว่าความสุขเนี่ยมันก็คือก้อนภาวะอะไรแบบหนึ่งสว่างงสบายๆนะที่มันมาปรากฏแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นแต่พอเราไม่ได้ตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ปุ๊บพอเกิดภาวะรบกวนในชีวิตนะเกิดความรู้สึก ว่าช่วงนี้ดวงตกช่วงนี้เดี๋ยวก็เจอนั่นเดี๋ยวก็เจอนี่ทําไมมันมารุมอัดเราไม่เลิกสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคือพอจิตถูกกับดักล่อให้เข้าไปติดอยู่กับไอ้ความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ดีซะเลยชีวิตมันเต็มไปได้วยความทุกข์มันเต็มไปได้วยความวุ่นวายจิตของเราก็ตะเลดิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะยอมรับภาวะความจริงตรงหน้าว่าเนี่ยความทุกข์กำลังปรากฏนี่ความสุขกําลังปรากฏ มันจะมีแต่รู้สึกว่า yeah, yeah, yeah. แย่แย่แย่ในความมืดทั้งหลายเนี่ยมันก็เข้ามาไปชมอยู่ในจิตของเรานี้ถ้าหากว่าเราตั้งมุมมองไม่ยังถูกต้องเราทําสมาธิแค่เป็นตัวตั้งแค่เป็นกําลังเริ่มต้นแค่เป็นหลักในการที่จะให้มัน อ, อมีแก่ใจดูความจริงตรงหน้าที่มันเป็นภาวะในกายในใจของเราเพอเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ถูกรบกวนด้วย โชคโชคร้ายถูกรบกวนด้วยผู้คนที่มันไม่ค่อยจะเอาไหนนะหรือว่าเราตั้งใจอะไรแล้วมันล้มเหลวไม่เป็นท่าความรู้สึกทั้งหมดที่มันกำลังปรากฏอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับลมหายใจให้ดูเนะี่ยมันเหมือนปรากฏอยู่อยู่ชั่วขณะหนึ่งพอเรารู้สึกถึงมันได้ก็เห็นมันหายไปได้ไม่ต่างจากลมหายใจเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่รู้สึกว่าเออมันค่อยคลาย ค่อยคลายจากอาการยึดอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันยึดว่าทำยังไงเราถึงจะกลับไปได้ดีมีสุขในสมาธิใ น, นแต่ตอนนี้มันคลายมันไม่ใช่ได้สมาธินะแต่มันได้ปัญญาที่จะเขียนเข้ามาข้างในว่าเออเวลาเราดูเนี่ยดูที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ไปคาดหวังว่าฝากความคาดหวังอะไรไว้กับสมาธิทั้งหมด เห็นไหมเมื่อกี้เราไม่ได้เข้าสมาธิอยู่ตอนที่มันคลายออกไปที่มันคลายออกไปเพราะเกิดความเข้าใจว่าจะมองยังไงต่างหากครับก็ยังรู้สึกว่าพอภาวนาไปมันยังแบบยังรักสุขเกียดทุกข์แล้วก็พอวุ่นวายมากๆตรงนี้ต้องฝึกมันไม่ยอมรับนะครับมคลายเห็นเลยว่าแบบแมเวลามีความสุขเนี่ยอยากให้อยู่นานๆเวลามีทุกข์อยากให้ไปแต่บางทีดูไปดูมาความสุขดับเอาก็จะแอบเสียดายอีกยิ่งมีน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาอย่างนี้คือ มันเป็นเรื่องของการตั้งมุมมอง uh huh. ให้มองว่าแม้กระทั่งการนั่งสมาธิเนี่ยมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขให้ดูมันไม่ได้สุขอย่างเดียวมันไม่ได้เนียนอย่างเดียวมันไม่ได้นิ่งอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่มันฟุ้งซ่านบ้างหรือว่ามีความรู้สึกมึนๆมันๆง่วงๆบ้างในขณะนั่งสมาธิก็บอกตัวเองว่านั่นคือตัวอย่างของภาวะทุกข์แม้แต่กระทั่งในขณะนั่งสมาธิมันก็ยังทุกข์ให้เห็นได้ แล้วเราก็สามารถยอมรับตามจริงได้ไออาการยอมรับตามจริงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสติเห็นว่าความทุกข์ในขณะนั่งสมาธิมันไม่เที่ยงเหมือนกับลมหายใจที่ผ่านมาและจะผ่านไปพอฝึกอยู่อย่างนี้นะเห็นอยู่ในขณะที่นั่งหลับตาทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยเวลาที่มันเกิดภาวะอะไรภายนอกมากระทบตอนที่ออกจากสมาธิแล้วมาอยู่กับชีวิตความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันก็จะเริ่มมีแก่ใจที่จะเล็งเข้ามาดูเข้ามาตอนที่เกิดความทุกข์มันจะทุกข์มากทุกข์น้อยไม่สําคัญนะสำคัญที่ว่าเราเห็นแล้วเรายอมรับตามจริงว่าเนี่ยมันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยอยู่เมื่อเราค่อยๆ ย, ยอมรับตามจริงว่ากําลังทุกข์มากตอนแรกในความทุกข์นี้มันก็ยังเหมือนกับจะไม่ไปไหนมันยังตรึงแขนปรึงขาเราไว้ได้มันยังครอบงำจิตให้เรามืดอยอยู่ได้ตอนแรกๆที่เราดูนะ แต่พอดูไปดูไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออตอนตอนที่มีสติที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับความมืดเนี่ยตอนนี้มืดมากลมหายใจต่อต่อมามันจะรู้สึกว่ามืดน้อยลงและพอเราทําได้สักสองสาครั้งนะคือเห็นความแตกต่างระหว่างมืดมากกับมืดน้อยในลมหายใจต่างกันเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินใหม่กลายเป็นตัวกระตุ้นให้อยากเห็นความไม่เที่ยง ของความมืดในครั้งต่อๆมาแต่ที่ผ่านมามันไม่มันไม่ได้ถูกกระตุ้น mm hmm. เข้าใจไหมมันมีแต่อาการอยากยอมแพ้ความมืดอยากยอมแพ้ความทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับบอกตัวเองไว้ซ้ําๆว่าหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้แต่พอเริ่มที่จะสั่งสมความเคยชินใหม่บอกตัวเองว่าเนี่ยทุกข์มากทุกข์น้อย ตอนนี้ลมหายใจนี้ทุกมากนี่ลมหายใจอีกลมหายใจหนึ่งทุกน้อยลงมันจะเกิดความเคยชินในทางที่จะเห็นความไม่เที่ยงขึ้นมาของความทุกข์แล้วเสร็จแล้วนะสิ่งที่สุดยอดก็คือว่าเมื่อเราสามารถเห็นความไม่เที่ยงของใจที่เป็นทุกข์ได้เนี่ยเราจะเห็นความมาสะจาันอย่างหนึ่งของการเจริญสตินะคือทุกภายนอกเนี่ยเหตุการณ์ภายนอกที่มันไม่ดีที่มันร้ายแรงอะไรทั้งหลาย มันเหมือนจะผ่อนปลนมันเหมือนจะบรรเทาเบาบ า, างตามไปด้วยอันนี้คือความมหัศจรรย์ที่ต้องไปค้นพบด้วยตัวเองนะโอเคครับคือว่าปฏิบัติมาแล้วหลังๆมีความรู้สึกว่าชีวิตปกตินี่ค่ะมันไม่มีความสุขอะไรเป็นมันเป็นเหมือนมายาทุกอย่างอะค่ะแล้วเราก็เลยบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้ว แต่ก็ยังทํางานปกติมีความพยายามเพียรเหมือนเดิมปกติที่จะทํางานนะคะแต่เพียงแต่รู้สึกว่าในโลกนี้ยมันไม่มีอะไรสุขที่แท้จริงซึ่งบางครั้งเราคิดมากๆเราสึกว่าเราเอ๊ะมันมันแย่มากเลยเพราะมันไม่มีสุขหลังๆก็เลยพยายามคิดที่ว่าความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดแล้วก็ปล่อยมันคิดไปแล้วก็ทิ้งมันไปใช้วิธีเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันเบาลงค่ะเลยไม่ทราบว่ามั น, มนตั้งแล้ว เป็นวิธีที่ดี ค, คือพอเรายังไม่สามารถนิ่งไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในอาการตูวได้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดเอาชนะความคิดนั่นแหละคือความคิดที่มันเป็นโยนิโสมนานสิการนะอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนานสิการแล้คือมันจะได้ในระดับของปัญญาแบบกินตามมยาปัญญามันยังไม่ได้ลงไปถึงการภาวนาจริงๆนะคือคือยังไม่ใช่ภาวนามยาปัญญา เข้าใจใช่ไหมมันแตกต่างกันยังไงขึ้นต้นมาเขาเรียกว่าสุดแต่มายะปัญญาคือไอความฉลาดทางจิตอันเกิดจากการฟังอันนี้เขาเรียกว่าจินตามายะปัญญาคือนึกเอาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะคิดไปทําไมมันสักแต่เป็นความคิดคือมันเห็นความจริงขึ้นมาแวบหนึ่งแต่ว่าไอตัวที่มันทํางานมันเป็นโหมดทํางานแบบจินตนาการ แต่ถ้าเข้าถึงภาวนามยะปัญญามันต่อยอดขึ้นไปยกระดับขึ้นไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนั่นคือมีความคงเส้นของแหววที่จะเห็นความคิดมันสักแต่เกิดผุดขึ้นมานะแล้วมันก็หายไปดับไปมันจะรู้สึกเหมือนหมอกควันเกิดขึ้นในหัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่มันผุดขึ้นมาแล้วเวลามันหายไปมันสลายตัวไปก็เหมือนกับไม่มีความยินดีไม่มีความหวงแต่อย่างเนี้ย ลองสังเกตดูใ น, นในระดับของกินตามมายาปัญญาเนี่ยนะมันจะยังมีความหวงความคิดอยู่คือคือไม่ได้ไหมายความว่าหวงตอนที่คิดได้นะแต่หวงตอนที่กลับมาคิดใหม่อะ่ะคือคิดคิดแบบเดิมๆ เ, เข้าใจใช่ไหมคือคือมันไม่ได้รู้สึกปล่อยวางได้ตลอดเวลามันมันกลับมายึดใหม่ได้พอกลับมายึดใหม่ได้มันเห็นความคิดเนี่ยเป็นเราใหม่แลนะแต่แล้วพอพิจารณาทีมันก็ เหมือนกับปล่อยวางได้ทีเนี่ยตัวนี้มันถึงนี่เรียกว่าเป็นระดับของจินตามยปัญญาคําตอบเนี้ค่ะเป็นตอนที่ภาวนาอยู่ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้บ่อยจนเรารู้สึกว่าเราลำคาญหลังๆก็เลยใช้การภาวนาแล้วก็มันเป็นมันเป็นมันเหมือนมันเป็นคําตอบขึ้นมาจากการภาวนาว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปเราจะไปยึดมันทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้เป็นส่ว น, อนของภาวนามัญยปัญญาได้นะ แต่แต่เอ้ตรงที่โหมดความคิดของคุณเนี่ยคือมันยังอยู่ในโหมดจินตนาการอยู่นะจริ ง, รงๆแล้วคําว่าภาวนาเนี่ยถ้าเอาตามแบบที่พระพุทธเจ้านิยามไว้เนี่ยหมายถึงว่าจิตมันมีความคงเส้นคงวาระดับหนึ่งแล้วแต่เนี้ยมันจะค่อยๆ ย, ย, ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆมันเกือบถึงสมาธิแล้วแต่ว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันยังหมุนจีอยู่ในหัวเราจะรู้สึกได้ว่า ในหัวเนี่ยมันถูกครอบครอบงำอยู่ด้วยความคิดคือวิธีคิดแบบเก่าๆเนี่ยที่มันค่อนข้างจะเป็นความคิดแบบร้อนเป็นความคิดแบบมองโลกในแง่ไร้ายอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเบาบางลงเยอะแล้วเราจะรู้สึกได้ว่มามันถูกแทนที่ด้วยความคิดที่ดีขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยกระแสะความคิดแบบเก่าๆมันยังวกกลับมาอีกโดยที่เราไม่ได้เต็มใจต้อนรับมันนะเราไม่ได้ตั้งใจคิดเลยแต่มันมันคิดมา เกิดความรู้สึกยุ่งเหยิงเกิดความรู้สึกว่าเอมันทำไมคนนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะมันยังกลับมารู้สึกแย่ๆได้อีกด้วยความคิดที่มันเป็นด้านลบด้านร้ายอันนี้อันเนี้ยมันค่อยๆ ย, ย, ยกระดับขึ้นเพราะว่ามันอย่างน้อยได้แนวทางที่ถูกต้องในการมองนะว่าความคิดเนี่ยมันสักแต่เป็นสังขารขันมันปรากฏขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาชั่วคราว แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปคือมันเข้ามาได้เองก็ออกไปได้เองนะโดยไม่ต้องไปขับไล่มันไอเ น, นี่ยคือแนวทางที่ถูกต้องที่จะกลายเป็นทิศทางในการมองอจนจนยกระดับจิตเนี่ยเข้าสู่สมาธินะสวัสดีค่ะพี่ตุลก็เจอเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอมาเลยแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาสองเดือน3เดือนที่ผ่านมามันก็เหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้น ได้ไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ทําให้ฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็บางทีบางทีรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่ชีเลยเนาะ <c oughs> มันเหมือนกับว่าเรามันสร้างภพแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่พอตอนหลังก็มารู้อ๋อมันคงมีอะไรที่ผิดพลาดไปอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็มันเหมือนกลับมาต้องเริ่มต้นใหม่จับหลักใหม่แต่ว่าเป็นหลักใหม่ที่กลับมาอยู่กับกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือว่าเหมือนกับว่าอันนี้จริงสุดแล้วแล้วมันก็จะทําให้เห็นอะไรแลบๆ ออกมาที่มันถ้ไม่ใช่วะอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่วันแรกที่พี่ตุลเปิดดังตินวิสัชนาก็มาฟังแต่ไม่ได้ถามแล้วพี่ตุนก็พูดถึงเรื่องความไม่พอใจอะไรจะทําให้มันเป็นความหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็ทํากับข้าวแล้วมันบอกว่ามันมีความที่อาจจะอยากจะได้ผลเลิศซึ่งซึ่งเ ร, เริ่มมาเห็นแล้วตัวน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอทําไปมีคนปุ๊บน้องก็มาทําผิดแผนเงี้ยมันอยู่ๆก็ปุ๊บขึ้นมาเป็น เปลี่ยนเราให้เป็นอีกตัวหนึ่งพอมาเห็นมันก็อ๋อมันมาจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะถามพี่ตุลว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเพ่งหรืออะไรก็ไม่ทราบ ม, มันจะหนักๆเป็นภาวะที่จุก อ, อกหัวโดนคลอบมันเหมือนกับจะว่าเพ่งก็ไม่ใช่มันพูดสภาวะไม่คืก ที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักกว่านี้มันครอบกว่านี้แต่เรามองไม่เห็นเพราะว่ามันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกระแสจิตกายความปรุงแต่งทางจิตเนี่ยมันมันเสมอกันมันเลยมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ใจเราอเบานะใจเราเนี่ยคือมันเหมือนกัรเริ่มเปิดเริ่มเป็นอิสระแต่ว่านักษณะการปรุงแต่งทางความคิดหรือว่าถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์คือรูปแบบคลื่นสมองมันยังเป็นแบบเก่าอยู่ เพรานเราก็ถึงค่อยรู้สึกขึ้นมาว่าไอเนี้ยของหนักไอเนี่ยของครอบเพราะนั้นไม่ต้องไปตกใจนะ <Okay. S 1> เราเราแค่รู้สึกถึงมันแล้วก็เห็นมันไปเรื่อยๆก่อนอโดยไม่คาดหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมพอมันหมดความคาดหวังมันเหมือนปลดปลดอะไรทิ้งไป เรายังคาดหวังอยู่นะจะในทางที่ผลักใส่มันออกก็แล้วแต่หรือจะในทางที่ดึงดูดเข้าหาตัวก็แล้วแต่มันจะเหมือนกับส่งอาหารหล่อเลี้ยงให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยมันนึกถึงแวบเดียวเนี่ยมันมันกลับมาอีกใช่ไหมค่ะถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยเหมือนกับไหลไปคือคือไม่ใช่ปล่อยคือรับรู้ด้วยอาการยอมรับค่าเอ้ยนี่มันมันมี ความ ร, รู้สึกอย่างนี้อยู่เป๊ะเลยนะความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ไปทำอะไรกนนับมันนะมันก็จะเหมือนกับสติปรากฏขึ้นในวินาทีนั้นคือเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเนี้ยใช้ได้อพอเมื่อไหร่ที่มีอาการยอมรับจริงๆยอมรับสภาวะสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่เนี่ยนี่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีสติขุดขึ้นมาทันทีลักษณะของจิตจะถูกปรุงแต่งเป็นสติ มันมีความสว่างแบบมีสติไม่ใช่มีความสว่างแบบตั้งใจเอาดีแต่อยากคาดหมายว่ามันจะหายไปเร็วๆนี้แต่คาดหมายว่าเราจะเอามันเป็นอุปกรณ์การฝึกไปอีกเป็นปีๆพอคิดอย่างเนี้ยมันจะเกิดความรู้สึกที่ดีกำมันทันทีมีทัศนคติที่ดีกำมันทันทีนะแล้วก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าจะภาวะแย่หรือภาวะที่มันน่าชื่นใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย สุดท้ายมันมีค่าเท่ากันคือมาเพื่อให้ดูว่ามันไม่เที่ยงมาเพื่อให้ดูว่าเนี่ยใจเราเนี่ยยอมรับอยู่ไหมปกติเราจะมีอยู่สองอย่างอยากยึดไว้เพราะมันดีก็อยากให้มันหายไปอยากทำลายทิ้งเพราะมันไม่ดีมีอยู่แค่สองภาวะนี้มาตลอดนี่กว่าที่จะมาฝึกให้เกิดภาวะว่าโอเคเรายอมรับได้ทุกอย่างขอแค่ดู ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยกว่าจะถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องทำกันนานมันไม่ใช่ยากตรงรูปแบบแต่มันฝืนกับกระแสเก่าที่คนเราเนี่ยถูกบีบมาให้ยึดแต่อะไรดีๆแล้วก็ไม่อยากที่จะเจออะไรชั่วๆนะ ก็คือฝึกไปดูอย่างสมมติว่าบางทีมันก็จะเห็นนะคะว่าถ้ามันมาปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็จะกลเป็นเหมือนกับรักมาเวลาพอมันก็อ๋อมีอะไรแน่ๆแล้วก็ดูไปแล้วเดี๋ยวมันก็บางไปหายอาอไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกจำไว้ว่าเนี่ยเป็นภาวะดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งปรากฏขึ้นมาไอ้หนักๆไอ้อะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นเพราะจิตเดิมเนี่ยมันหนักอยู่นะมันเท่ามันมันเสมอการกับภาวะปรุงแต่งอตอนนี้จิตมันเริ่มเบามันเริ่มเป็นอิสระ ไอ้ท้งอาการแน่นจุกอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ของแปลกที่เพิ่งขึ้นมาไงขึ้นูหนูก็ไปทำอะไรมันมันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วแต่เราเพิ่งเห็นว่าจิตของเรามันเพิ่งเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนเป็นภาวะที่พร้อมจะเป็นอิสระพร้อมที่จะเบิกบานแต่พอเรากลับไปเห็นของเดิมที่มันอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานเหมือนคนอยู่ในห้องมืดมาตลอดมันไม่เห็นวัตถุดๆ ก็มันกลมเกลื่อนกับความมืดแต่เมื่อห้องเริ่มสว่างขึ้นมามันถึงเฮ้ยอะไรเนี่ย ท, ที่แท้มันอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วนะไม่เคยไปไหนเลยถ้า แ, <ต>แล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดปฏิบัติต่อก็คือว่าให้ดูกลับมาทิกายใช่ไหมคะแล้วเห็นอะไรที่ปิ้นปิ้นออกมาเป็นกระแสะเพราะหนูจะเห็นว่าบางทีมันมีความฟุ้งหรือความคิดอะไรมันขึ้นมาปุ๊บก็จะตอนดูกายอ่ะเน้นดูตอนขยับ ค่ะนะของเราอ่ะอย่าอย่าเน้นดูตอนตอนนิ่งตอนนิ่งเพราะว่าตอนนิ่งมันจะมันจะมันจะจ้องมากไปค่ะไอที่รู้สึกว่าเห็นเป็นก้อนๆเพราะว่าอาการของเราเนี่ยอยากจะจับให้มั่นคันให้ตายนะแต่ตอนที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่มันตรงไปตามจริงมากกว่าอืมจ้ะค่ะแล้วคําถามสุดท้ายค่ะคือว่าหลังๆมันมีความรู้สึกอย่างที่พี่ตูนบอกว่ามันเหมือนจะเป็นแม่ชีกันมันเลยมีความรู้สึกว่าพอเห็น ความแก่หรือความชราความเสื่อมมันรู้สึกจะว่ามันเป็นความสังเวชหรือเป็นความรู้สึกหรือเป็นความคิดก็ไม่รู้ที่มันรู้สึกว่ากลัวความจริงกลัวว่ามันจะต้องไม่เหมือนกับว่าดูความกลัวไปค่ะดูความรู้สึกว่ามันไม่คือคือเห็นเป็นภาพของจิตน่ะนะว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นอะไรมืดมืดมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวตนมันจะเสียหายอืมตัวตนมันจะถูกทําร้ายตัวตนมันจะแตกพังไปอืม คือเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเริ่มยอมรับว่าสภาวะความกลัวสภาวะมืดๆอะไรแบบนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะชั่วคราวที่มันปรากฏอันนี้มันไม่ยอมรับว่าเป็นสภาวะชั่วคราวไงตอนกลัวเนี่ยมันจะผูกจิตเราไว้ให้ยดึดแน่นอยู่กับไอความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวมันจะเสียหายต่อเมื่อจิตเนี่ยมันมันเริ่มรู้สึกอ้าวนี่มันแค่ภาวะหนึ่งมืดๆเหมือนเมฆหมอกนะเข้ามาร้อยรัดเข้ามาห่อหุ้มอยู่แป๊บหนึ่ง มันก็จะเกิดความรู้สึกแบบใหม่ขึ้นมาว่าตกลงมันไม่มีอะไรเลยแค่ปรุงแต่งไปชั่วคราวคือจะกลัวก็ต้องตายจะให้กลัวก็ต้องตายนะแต่ชั่วขณะที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ตายแต่มันก็กลัวนี่ตรงนี้ที่เราจะเริ่มเห็นว่าแม้กระทั่งความตายที่น่ากลัวเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความไม่รู้ความไม่สามารถเห็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็ติดตามงานของอาจารย์มาประมาณ3ปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะมาค่ะก็มีเรื่องอยากถามเกี่ยวกับการทำสมาธิอะคะ่ะคือตัวเองเวลาทำสมาธิไปอะคะ่ะทำไปสักพักหนึ่งแล้วเหมือนมันจะมีความคิดเข้ามาจากนั้นมันก็จะ ดับวูบไปเลยอะค่ะไม่รับรู้อะไรอีกเลยเหมือนหลับอะค่ะจะรู้ตัวอีกทีนึงก็ตอนเหมือนสับประโกระค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยอค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองไม่เหมาะจะนั่งสมาธิอะค่ะนั่งที่ไหนก็เป็นจำน ว, ว้นะตอนที่มันเริ่มจะงอกง่วงตอนที่มันเริ่มจะมีความคิดฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ให้เราจําไว้ว่านั่นเป็นจิตชนิดหนึ่ง จำคีย์เวิร์ดตรงนี้ไหมนะมันมันจะเกิดความรับรู้ที่กว้างขึ้นเอ้ยนี่พอฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วจิตมันปิดแคบไปละมันจะเข้ามาลองทบทวนดูนะมันจะเหมือนหมกเข้ามาที่จุดจุดหนึ่งนะเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าหากว่าเราจําคํานี้ไว้เป็นคีย์เวิร์ดล่วงหน้าเวลาที่เกิดภาวะนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยว่าจะฟุ้งซ่านจะอะไรก่อนที่จะตกภวังเนี่ยนะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเออ นี่เป็นจิตจิตหนึ่งมันจะนึกถึงภาวะทั้งหมดที่มันเป็นดวงดวงว่าเนี่ยดวงจิตของเรากําลังฟุ้งซ่านกําลังปิดแคบอยู่แล้วมันจะกลับมารู้สึกถึงกายได้ถึงมันจะยังงกงย่องอยู่แต่จะรู้สึกว่าทั้งหมดนั่นแหะที่รับรู้ก็ดีที่ฟุ้งซ่านก็ดีที่รู้สึกคับแคบก็ดีมันเป็นอาการหนึ่งของจิตเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมเนี่ยและคราวนี้ถึงแม้ว่ามันตกผวางไปเราก็จะเกิดปัญญา เกิดปัญญาหลังจากที่มันออกจากผวังแล้วนะว่าเมื่อกี้จิตมันเข้าสู่ภาวะที่เป็นผวังไม่งั้นเนี่ยมันจะจําไว้ยังไงรู้ไหมพอตื่นขึ้นมาจากผวังเนี่ยมันจะรู้สึกเฮ้ยเมื่อกี้หลับไปเราตกผวังไปเราหลับไปแต่ถ้าเนี่ยท่องไว้ก่อนมันเป็นผวังพจิตเกิดเกิดจิตที่เป็นภวังขึ้นมาช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกเออเมื่อกี้จิตมันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าผวัง พอตื่นขึ้นมามันจะสว่างหรือมันจะมืดก็ตามก็จะเกิดความรับรู้ต่อสืบเนื่องทันทีว่านี่จิตเปลี่ยนจากภาวะมืดแบบผวังมาเป็นมืดแบบคิดฟุ้งซ่านหรือเปลี่ยนภาวะผวังเป็นสว่างมีส ต, ติตืน่นคือมันจะไม่หลงเข้าไปว่ามีส ต, ติดีมันจะไม่หลงเข้าไปคิดว่าผวังเนี่ยไม่ดีไม่น่าเอาไอ้นี่ก็อยู่ในจิตานุปัสสนานั่นเอง สวัสดีครับก็มาครั้งแรกครับก็อ่านมาจาก a c e b o o k ครับไม่ไม่เคยเจอเลยครับก็ปกติก็เจริญานานะปันสติตลอดแต่ว่ามันจะมีบางบางครั้งก็จะรู้สึกแน่นๆบ้างมันหนักมันหนักแตนะ่ความคิดเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับของคุณเนี่ยมันต้องรับภาระอะไรมาแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสร็จแล้วคือมันจะหนักใจมีเรื่องหนักใจเยอะนะความหนักใจเนี่ย มันนำมาซึ่งอารมณ์แบบไหนมันจะมันเหมือนยาตรงๆอยู่ในหัวนึกออกใช่ไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคล้ายๆกับหนักๆค้นๆมืดๆนะมีก้อนก้อนความเครียดอ่ะพูดง่ายๆนะที่เกาะที่เกาะอยู่ในหัวมาและไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยพอมาทำสมาธิมันก็จะเหมือนเห็นชัดขึ้น แต่เดิมเนี่ยพอเราคิดมากหรือว่าเรามีอารมณ์หมกมุ่นอยู่กับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเป็นก้อนๆไม่ค่อยเห็นเป็นความอึดอัดมากชัดเจนแต่พอนั่งสมาธิบางครั้งมันมีความเบาเงี้บางครั้งมันมีความโปร่งขึ้นมาเป็นขนาดขนาดมันมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยนี่มันอึดอัดตรงนี้มันอึดอัดตรงนี้จริงๆมันอึดอัดอยู่แล้วแต่เพิ่งมาเห็น ตอนที่มีความแตกต่างไงตอนที่จิตของเราเริ่มโปร่งเบาตอนที่ร่างกายของเราเริ่มอยู่ในสภาวะที่มันคลายจากอาการเกร็งมันกลับไปพอมันกลับไปเกร็งใหม่ปุ๊บมันอุ้ยตกใจทำไมมันรู้สึกว่าร่างกายมันรัดร่างกายมันแน่นนะเอาอย่างนี้ก็คือเราทำความเข้าใจเนี่ยมองภาพอย่างที่ผมพูดให้ฟังอย่างนี้นะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ย มันอยู่ในภาวะที่พร้อมจะอึดอัดอยู่แล้วพร้อมที่จะเครียดอยู่แล้วแต่พอเรามานั่งทําสมาธิแล้วมันมีความโปร่งเบาอยู่บ้างนะมันก็ถูกขับให้เห็นทําให้มันเกิดความเด่นขึ้นมาอย่างเมื่อกี้เนี้ยตอนที่นั่งสมาธิตอนแรกบางทีมันมันเหมือนจะเบาๆขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วเสร็จแล้วมันก็จะงกเงียงงเงี้ยอยนะมันหนักๆมันรู้สึกเหมือนมีอะไรไป เทินอยู่เนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือมันจะไม่ค่อยเบาแบบเสมอต้นเสมอปลายมันจะเบาบ้างหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ <What? S 1> ดูไปตรงนั้นแหละดูไปว่าเดี๋ยวมันก็หนักเดี๋ยวมันก็เบาอยากคาดหวังว่ามันจะเบาเลยอยากคาดหวังว่ามันจะไม่กลับไปอึดอัดคับแน่นอีกนะแต่คาดหวังว่าเราจะได้เห็นความสลับกันระหว่างความอึดอัดความหนักความแน่น แล้วก็ความเบาความโปรโง่งเนี่ย เ, เพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคลายไม่ได้ภายในช่วงสั้นๆหรอกมันมันเหมือนเราแบบนี้มาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันเวลาคิดเวลาคิดมากขึ้นมามันจะเหมือนมืดๆเหมือนก้นหน้ามืดอะ่ะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆอยู่ในหัวคล้ายๆว่าชีวิตเป็นของหนักคือมันอยู่ในใจเราอะ่ะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของหนัก แล้วบางทีเหมือนกับอย่างเอาง่ายๆพอเราถึงเวลาบันเทิงถึงเวลาเลยมันเหมือนแกล้งแกล้งแกล้ ง, ลงบันเทิงมันไม่บันเทิงจริงเข้าใจใช่ไหมคือเพราะว่าตรงนี้มันไม่เป็นไนตรงความรู้สึกปักใจเชื่อไปแล้วว่าชีวิตเป็นของหนักแต่ตอนนี้เห็นไหมมันเบามันกลายเป็นเบาเหตุผลเพราะ ว, ว่าเราเข้าไปเห็นภาวะที่มันหนักๆ เราไม่ไปทำอะไรกับมันมากไปกว่าเห็นแล้วก็มันคลายออกไปเองนี่เวลาปฏิบัติเวลานั่งสมาธิหรือว่าเวลาอยู่ในระวังชีวิตประจำวันก็ตามแต่นี่นะถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมันเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาคือไม่ใช่อันนี้ก o p ปี้แล้วอันนี้ตั้งใจเห็นไหมเห็นความตั้งใจจะเบาไหมเมื่อกี้เนี้ยนะ ความตั้งใจเบาคืออาการนึกถึงความเบาทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เบาตรงเนี้ยสับสนตรงนี้เป็นความสับสนนิดหนึ่งคือไม่ใช่สับสนทางความคิดแต่สับสนทางความรู้สึกเนี่ยยอมรับตามจริงว่ามันสับสนทางความรู้สึกหน้าตามันเป็นแบบนี้มันเหมือนวุบวับวุบวับวุบวับวุบวั บ, บ, บมันไม่หยุดเนี่ยแค่ยอมรับตามจริงไปลมหายใจนี้มันสับสนอยู่อ่าเนี่ยเห็นไหมมันคลายแล้ว จำไนะลักษณะการยอมรับตามจริงไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่พยายามคิดว่าจะทำยังไงแต่รู้ไปซื่อเนี่ยว่าเนี่ยมันกำลังสับสนอยู่หน้าตามันเป็นแบบนี้เห็นไหมโปร่งขึ้นลักษณะที่โปร่งขึ้นไม่ใช่มันเบาเหมือนเมื่อกี้นะไม่ใช่มันเบาแบบเหมือนไม่มีอะไรเลยมันยังมีอะไรคาคาอยู่แต่มันไม่หนัแล้วตรง น, นี้แหละที่จะถอนความเชื่อได้ว่าชีวิตเป็นของหนัก ลองสังเกตเนี่ยพอกลับไปบันเทิงอีกเนี่ยด้วยใจที่มันรู้สึกเบาเนี่ยนะคราวนี้มันจะบันเทิงสุดเนี่ยในทางธรรมเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันกลายไป็ย้อนให้ทางโลกมีความสุขสนุกมากขึ้นแต่ก่อนมันเหมือนเราค้นหาอยู่ว่าเออทําไงถึงจะสนุกจริงๆทําไงถึงจะแบบหัวเราะให้สุดเขามันมันเหมือนสงสารตัวเองเนี่ยว่าไม่เคยหัวเราะสุดกับเขาสักทีเหตุผลมันบางทีนะ มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาคือคนบางคนเนี่ยแค่ฟังเท่า น, นั้นนะว่ามันติดอยู่กับความเชื่อว่าชีวิตไม่มีทางที่จะดีขึ้นไม่มีทางที่ชีวิตมันจะดีขึ้นไปกว่านี้แค่นั้นก็หลุดเลยหลุดออกมาจากความไอ้กลงขังเนี่ยที่ว่าตัวเองไม่มีทางดีขึ้นและทุกอย่างก็ดีขึ้นมาตลอด แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะคนเราไม่ได้ติดอยู่กับกรงจริงๆที่มันขังเราอยู่ภายนอกแต่มันติดอยู่กับกรงความคิดที่เราไม่รู้จะเอาออกไปยังไงไม่รู้ว่าคีย์ไม่รู้ว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนนะเจ้าดีค่ะคุณตุลเจะรกวนสอบถามว่าคือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมักจะ ตีกรอบให้ตัวเองตลอดว่าฉันจะต้องเป็นงนี้จะต้องเอนทานติดจะต้องเป็นคนดีหรืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนอย่างมือย่างที่คุณตุนแนะนําในเบื้องต้นแต่ว่าในช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนเรามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งเขาอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมใหม่ที่เขาชอบเล่นการพา น, านันชอบอดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราใจเราก็เป็นทุกเองที่เราพยายามจะไป เปลี่ยนคนอื่นนะคะว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะให้คุณแบบพยายามเข้าวัดกันหรืออะไรกานอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นทุกข์ก็ค่อยๆพยายามหลังจากที่ทําแล้วถอยกลับมาตั้งหลักใหม่แล้วก็ลองใหม่อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะไปไมาๆอย่างเงี้ยหลายรอบจนรู้สึกว่าเราเราเริ่มทุกข์แทนเขาละเราไปคาดหวังกับ กับสิ่งแวดล้อมอะค่ะว่าจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะค่ะก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วก็เริ่มทอ้อตอนนี้ว่าเอ๊ะเราจะพยายามพยายามต่อไปไหมหรือว่าหรือว่าปล่อยอตามที่เขาเป็นของเขาแบบนั้นนะคะถ้าเอาตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะหลักของพร ม, มิหารสีคือว่าก่อนอื่นเราต้องมีความสุขในตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อมีความสุขแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเขามีความสุขเท่ากับเราหรือมากกว่าเรานะ่ แล้วก็อยังเห็นคนที่เขาหมกมุ่นกับอบายามุกหรือว่าความเสื่อมโทรมหรือว่าความตกต่ําอะไรทั้งหลายเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากฉุดเขาขึ้นมาจากหล่มโครนหรือว่าไอ้ทรายดูดอะไรทั้งหลายที่มันจะเอาลงนรกเอาลงไปสู่ความเป็นเปรตเป็ น, ป น, ปนสัตว์ไดร์ฉานอะไรอย่างนี้เรามีแก่ใจที่จะช่วยที่จะฉุดที่จะทําให้เขาสว่างขึ้น นี่เป็นเรื่องของเมตตาและการุณาเราได้ดีแล้วเราสว่างแล้วเรามีความสุขแล้วเราอยากเผื่อแผ่ด้วยการลงมือช่วยนั่นแหละเรียกว่าการุณาถ้าทําได้เราก็จะรู้สึกดีใจว่าเราทําสําเร็จเรียกว่าเป็นมูติตาเห็นเขาเจริญขึ้นเรารู้สึกดีเรารู้สึกยินดีแต่ถ้าทําให้สําเร็จมันมีอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็คือให้อุเบกขา อุเบกขาไม่ใช่ทำแกล้งเป็นเฉยๆนะแต่ทำความเข้าใจตามจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่คาดหวังเลยว่าท่านจะช่วยได้ทั้งหมดท่านรู้ตั้ตงช่วงใหม่ๆที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุธิญานนะเป็นพระพุทธเจ้าว่าบัวมีสามเหล่าไม่ใช่สี่เหล่านะที่พระพุทธเจ้าตัดคือประเภทที่มันเบ่งบานพ้นน้ำได้ได้เร็ว โดนแสงนิดเดียวมันเบ่งบา น, นทันทีไอ้ที่ปริมปริมน้ําอยู่แล้วก็ไอ้ที่จมใต้น้ําตอนนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ถึงไม่ได้ถึงปัถประมะคือพวกจมอยู่ใต้โคลนใต้เลนอะไรแบบนั้นนะฉะนั้นคือถ้าเราพิจารณาตามความรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเห็นคือมันไม่เกี่ยวกับความสามารถของเราไม่ใช่ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งมันเกี่ยวกับว่าเนี่ยพระอง พ, พระพุทธเจ้าเก่งที่สุดใน วานแล้วนะมีบารมีสูงสุดในจักรวาลแล้วท่านยังไม่สามารถที่จะโปรดพวกที่จมอยู่ใต้น้ำได้เลยพวกที่ไม่สามารถที่จะขึ้นมารับความสว่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่เยอะที่สุดเหมือนกับฐานปีระมิทพวกที่สามารถจะรับความสว่างได้มันมีน้อยเหมือนยอดปีระมิทพอเราทา ใ, ในใจอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้จเดินพร ม, มิหารสี่ครบทั้งสี่ประการ คือเราช่วยแต่ไม่ได้คาดหวังว่าสุดท้ายเราจะได้มุติตาอย่างเดียวบางครั้งเราต้องอุเบกขาด้วยแล้วอุเบกขาด้วยความเข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมของเขามาอย่างนั้นแล้วก็บีบบังคับหรือว่าร้อยรัดเขาไว้อยู่กับความเสื่อมความต่ำ เ, เราก็คงสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้ายางยอมแพ้เลยกับคนที่ไม่สามารถรับพระองค์ได้จริงๆเนี่ย อย่างพระ อ, องค์เคยตัดกับพระอนุนนะว่าพระ อ, องค์จะเลือกเสวนาด้วยเฉพาะกา บ, บัณฑิตที่มีเหตุมีผลถ้าเป็นคนพ่านจริงๆบางทีมาตั้งใจมาเกการาดานอะไรเนี่ยพระ อ, องค์ก็เงียบนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระ อ, องค์ทำไม่เป็นตัวอย่างว่าจงตั้งความคาดหวังไว้ว่าเราจะเมตตาและกรุณาแต่อย่าตั้งความคาดหวังไว้ว่าเราจะช่วยได้ทุกคน อย่างนี้ก็พยายามต่อไปแต่ว่าเราไม่คาดหวังเรามีเมตตาและกรุณาแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะอุเบกขาด้วยอุเบกขาด้วยความเข้าใจจริงๆนะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนบางคนเนี่ยถูกบาปที่ตัวเองพอกพูนไว้เนี่ยมันครอบงำร้อยรัดไว้ติดอยู่กับไอ้ความเสื่อมยังไงยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ ว่าเออแสงสว่างมันเป็นยังไงเราไปพูดยังไงเราไปช่วยยังไงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวตลกจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันโบราณเกินไปเปล่าเนะไปยึดถืออะไรที่มันล้าสมัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้โอ้โหมันแล้วยิ่งมีข่าวพระขึ้นมาสองกรณีในปีเดียวเนี่ยมันคือเห็นเลยนะว่าเออ่ศาสนาพุธทธแทบจะเจงอะในปีเดียว แต่จริงๆแล้วมันมันก็มีเฟสอย่างนี้นะมามีช่วงเรื่องมีช่วงมีช่วงที่เสื่อมลงไปนะอย่างตอนเกิดกรณีวิกฤตยันตร า, านี่แทบจะโหแบบคนนี่ไม่ทำบุญไม่อะไรกันเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นิสัยคนไทยลืมง่ายเสร็จแล้วก็มีภาวนาพุทธโธมีนิกรยยศคำจูเนย แต่ละคนก็แบบดังๆกันเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อภาวนาพุโทโธอะไรนี้น่าเสียดายแล้วพอเป็นข่าวขึ้นมาทีมันยิ่งแย่กว่าคนทั่วไปที่เดือดร้ายอีกนี่พอเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าจิตใจผู้คนที่ถูกกระทบกระเทือนจากอิทธิพลของอะไรใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันมันเลิกเชื่อเลย เลิกเชื่อเรื่องความดีเลิกเชื่อเรื่องว่าจะทําอะไรดีๆได้อยากทําอะไรก็ทําเพราะฉะนั้นมันต้องมองด้วยว่าตัวของเราเนี่ยม อ, มองเป็นพลังที่มีความสามารถที่จะแผ่อิทธิพลไประดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะออกไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าจะเอาชนะพลังชนิดอื่นได้ ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราเป็นความสว่างนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกตัวเองก็คื อ, อให้สว่างอยู่เสมอแม้กระทั่งทําไม่สําเร็จเราก็ยังควรจะต้องสว่างต่อไปสว่างอยู่ในความอุเบกขาสว่างอยู่ในความรู้เท่าทันว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่กลับมาเศร้าหมองไม่ใช่กลับมามืดเสองว่าเฮ้ยเราทําไม่สําเร็จนะคุณค่ะ สวัสดีค่ะก็มาครั้งแรกนะคะก็อยากจะขอคําแนะนําจากอาจารย์นะคะคือว่ารู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคนที่คิดปรุงแต่งให้ตัวเองเยอะฟุ้งซ่านเยอะพอมีเรื่องหนักๆในชีวิตประจําวันมากระทบกับตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถมีสติมีไม่ไม่สามารถมีสติได้เลยอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่ตอนนี้นะ <c oughs> เมื่อกี้บอกว่าตอนนี้มันปรุงแต่งเยอะไง มันปรุงแต่งมาเยอะตั้งตั้งแ ต, <ะ>แต่ไหนแต่ใดแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันเบาลงได้ซ้ำนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของของเราเนี่ยคือเคยปรุงแต่งม า, มากกว่านี้เจ้าโทรศัท์มากกว่านี้แล้วก็เหมือนกับแต่ก่อนบางทีเนี่ยอยู่ในอารมณ์อยากหาเรื่องได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยใครมาหาเรื่องเราบางบางทีเรายังรู้สึกไม่พอใจ เสร็จแล้วก็คือหมายถึงเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่อยากจะอภัยหรือว่าไม่เอาเรื่องเอาราวไปแทนอะไรอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> มันมันเหมือนเข้าใจอะอารมณ์คนหาเรื่องอะแต่ก่อนเราเราก็เคยเป็นแล้วพอมาโดนบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อะไรแบบเนี้ยนะ <Okay. S 2> มั น, ม น, เ, นเข้าใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าสามารถมาสงสารได้หรือว่าอาภัยได้ นี่ถ้าจะมองเป็นว่าเฮ้ยช่วงนี้ทําไมมันทําใจไม่ได้ก็ให้มองไปว่าเป็นการสแสดงความไม่เที่ยงของจิตจิตไม่ได้ดีอยู่เสมอไปบางครั้งมันก็มีขาขึ้นบางครั้งมันก็มีขาลงบางช่วงเนี่ยเหมือนกันเราจะไม่ถือสาได้นะไม่คิดมากไม่อะไรต่อเมืออะไรช่วงนั้นเนี่ยใจมันอยู่กับความสว่าง แต่ตอนนี้ใจมันตกได้ใจเป็นของตกได้มันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าอะไรมากระทบแล้วอดไม่ได้แล้วก็ก่อนอื่นนรามองเป็นภาพภาพทางใจนะว่าจิตมันไม่เที่ยงไม่ใช่เราจะสั่งให้มันดีได้เสมอไปอันดับที่สองพอเลิกยึดมั่นถือมั่นว่าจะจิตจะต้องดีก็ดีแล้วเนี่ยเราก็มองต่อไปว่าเหตุที่ทำให้ฟุ้งซ่านําคาญใจบางครั้ง มันเกิดมาจากความไม่ได้อย่างใจคือไม่ใช่ว่ามันมีตัวความหน้าฟุ้งซ่านหน้าลำคาญใจอยู่ที่ภายนอกจริงๆแต่มันเกิดจากความรู้สึกไม่ได้อย่างใจเห็นไหมมันมีส่วนที่ข้างในของเราให้ความร่วมมือกับภายนอกหรือว่าไปขยายผลภายนอกให้มันใหญ่โตขึ้นเนี่ยมันจะมันจะมองเข้ามาแล้วก็เกิดอาการยอมรับ ว่าข้างในของเราเนี่ยบางทีมันพุ่งพลานเกินจริงไม่อยากยอมรับอะไรทั้งๆที่มันเห็นเห็นอยู่ะเห็นมาตั้งนานแล้วแต่บางทีนัเวลาหนึ่งเนี่ยมันไม่อยากยอมรับมันขัดเคืองมันไม่พอใจนี่เห็นไหมพอพอเริ่มเห็นเข้าไปที่ตัวปรุงแต่งตรงเนี้ยมันจะผุดขึ้นมาจากตรงนี้นะมันกลายเป็นปิติไปเห็นไหมมันมันเหมือนมันเหมือนสว่างขึ้นมา เป็นช่วงๆก็ไม่หนักเหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะนั่นแหละเวลาดูนะของของเรามันจะปุดขึ้นมาจากตรงกลางมันไม่ได้มันไม่ได้มาจากความคิดแสดงว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์มันขัดเคืองไงมันไม่ถูกใจมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เหมือนไงไอ้ตรงนี้เนี่ยอยากให้เป็นคุณค่ะโอีคครับได้ยิน เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันก็จะแนะนำขอสักคำถามหนึ่งนะยเดี๋ยวจะดูไกลเป็นหมอดูผู้พิเศษเกินไป <c oughs> คือปัจจุบันก็ปฏิบัติเดินจงกรมอยู่เป็นประจำทุกวันครับก็ ตอนโยงกลมยังพุ้งสั้นอยู่นะ ค, คือคือมันเดินไปพุ้งสั้นไปแล้วมันสั่งสมความเคยชินมานั่นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีโฟกัสที่ชัดเจน ừ ừ ừ. เวลาเดินจงกรมอ่ะรู้เท้ากระทบไปบนะเป็นเท้ากระทบเนี่ยเป็นจุดที่แสดงความจริงชัดเจนที่สุดจุดอื่นเนี่ยบางทีนะเราคิดไปเองไปจินต น, นาการถึงร่างกายไปจินต น, นาการถึงอาการขยั บ, บไปจินต น, นาการถึงสภาวะความคิด หรือแม้กระทั่งการพิจารณาทำอะไรต่างๆมันไม่ใช่ของจริงแต่เท้ากระทบเนี่ยของจริงไม่ต้องนึกเอาเลย <Okay. S 1> มันเป็นสิ่งที่ส่งความรู้สึกขึ้นมาได้ถึงใจเนี่ยว่าเออไอตัวนเนี้ยเนี่ยมันกำลังปรากฏอยู่จริงๆไม่ใช่ของหลอกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกถึงเท้ากระทบได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นใจของเราอยู่กับความจริงแล้วนะอันนั้นอันดับแรกแล้วอันดับที่สองคืออย่าเดินก้มหน้า เดินเงยหน้ามองไปตรงๆเนี่ยแล้วก็เดินเร็วขึ้นนิดนึง <Okay. S 2> คือคือเดินของคุณยังเดินไม่ไ ม, ไม่สม่ําเสมอบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ช้าช้าช้าบ้างเร็วบ้างแบบไม่มีเหตุผลเ <c oughs> ข้าใจว่ามั น, ม, นมันแหว่งไปตามอารมณ์นึกอยากจะเร็วก็เร็วนึกอยากจะช้าก็ช้าทีนี้ลองสังเกตดูถ้าเมื่ อ, อไหร่ที่กําลังมีคลื่นความคิดหมุนจี่ขึ้นมาเป็นพุ่งซ่านเนี่ย ต้องเดินเร็วเร็วแบบรู้กระทบไนอะแล้วจะรู้สึกว่าคลื่นความคิดมันถูกดึงให้ช้าลง <Okay. S 1> แล้วเมื่อไหร่ที่รู้สึกเหมือนกับว่าเริ่มเริ่มนิ่งๆบ้างแล้วเนี่ย hmm. ลดระดับลงให้มันช้า <Huh. S 1> รู้สึกถึงความประนีตรู้สึกถึงความละเมียดละไมของการสัมผัสระหว่างเท้ากับพื้นเนี่ย hmm. นะมันจะรู้สึกว่าชัดชัดชัด hmm. แล้วข้างบนมันจะ คือข้างล่างมันจะชัด ข, ข้างบนมันจะว่างข้างบนว่างข้างล่างชัด <Okay. S 1> ตัวนี้มันจะทำให้ความผุ้งสั้นในการเดินยงกลมหายไปการเดินยงกลมมันจะมีทิศทางชัดเจนขึ้น uh huh. ทุกวันนี้เนี่ยมันมันยังแก่งอยู่ uh huh. มันมักจะออกอาการว่ามีข้ออ้างกับ ต, ตัวเองว่าตอนแรกเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเรากำลังพิจารณาทาอยู่พิจารณาน่นนี่นั่นเที่ยงมันกาลังเป็นปัจจุบันแต่ความคิดเนี่ย นะมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นเกลเอกันแต่ความฟุงสร้างครับนลองสังเกตดูพอคิดคิดไปพิจรารณาทำไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะแว บ, บเป็นนู่นแล้วเรื่องบางทีเรื่องเล่นบ้างบางทีเรื่องงานบ้างบางทีเรื่องโน้นเรื่องนี้มั่วไปหมดบางที เ, เดินยงกลไปเดินยงกลมมานึกอาฆาขึ้นมาก็มีนึกถึงไอ้เรื่องที่มันผูกใจอยู่นะมันโมโ oh หขึ้นมาเฉยเฉยเสร็จแล้วพอโมโ oh หขึ้นมาเนี่ย กว่าสติมันจะทันว่าเอ้ยอันนี้โทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันล่วงไปตั้งนานแล้วจนกระทั่งมันเริ่มแผ่วแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่กระตุ้นสติแล้วมันเขาเรียกว่าไปรู้รู้รู้ตอนจบแบบตำรวจมาตอนผู้ร้ายตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคนอื่นค่าไปเรียบร้อยตำรวจมุ่งโล <c oughs> เห็นใช่ไหมว่าเนี่ยที่ผ่านมาการจงกรมของเรามัน พูดง่ายว่าอยู่กับความคิดอมันไม่ได้อยู่กับสติครับอยู่กับสติได้เนี่ยตั้งต้นขึ้นมาเท้ากระทบก่อนให้มันชัดก่อนว่าศูนย์กลางกัน ร, รับรู้ศูนย์กลางที่เราจะโฟกัสจริงๆมันอยู่ตรงไหนแล้วจากนั้นเนี่ยร่างกายทั้งหมดมันจะชัดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องตั้งใจแล้วตรงนั้นมาพิจารณาดูสภาวะทางใจนะเป็นเกิดดับอะไรนี่มันจะง่ายอืครับมันมันเป็นไปตามลําดับนพระพุทธเจ้าให้รู้อิริยาบถก่อน ล้วถึงมารู้เวทนา <ฮะ S 2> รู้สภาวะของใจ <ฮะ S 2> รู้ความคิดรู้อะไรต่างๆตาม <ฮะ S 2> มาทีหลังไม่ใช่กระโดดไปพิจารณาธรรมเลยมันไม่ได้อะไรน ะ, ะครับสวัสดีค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็เริ่มจากฟังซีดีธรรมะก่อนนะคะแล้วก็ตอนแรกยังไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอินเท่าไหระคะ่ค่ะแล้วก็เหมือนฟังผู้ปฏิบัติเขาเดินจงกรมแล้วก็เขาเห็น ว่าร่างกายเป็นกระดูกแตกสลายเป็นเหลือแสงไฟอะไรเนี้ยก็อยู่ๆเนี่ยก็ร้องไห้ขึ้นมาเองโดยโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องแบบมีอะไรพลิกแน่ๆเลยก็เลยก็สนเป็นท <ใจ S 2> ุนเก่านะเราเคยทําได้แบบนั้นมาเพราะว่าฟังปรากฏการณ์แบบนั้นมันก็คล้ายๆกับคุ้ น, นเออจริงๆด้วยมันอย่างนั้นจริงๆแหละค่ะมันมันเหมือนอินมากเลยแล้วก็ก็เลยโอเคสนใจปฏิบททัติธรรมก็เริ่มจากนั่งสมาธิก่อน ก็ตอนแรกเหมืนนั่งได้ดีเหมือนเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้รู้ครั้งแรกที่เคยนั่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเลยแล้วก็พอมาหลังๆก็รู้สึกว่ามันจะมันจะมีปวดมันจะปวดหัวข้างเดียวเหมือนคล้ายๆเป็นไมเกรนก็เลยหยุดหยุดการนั่งสมาธิแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดินจงกรมแทนคือเหตุผลที่นั่งสมาธิครั้ง ต, ต่อๆมามันไม่ดีอ่ะ เพราะว่าไปจดจําครั้งแรกที่มันดีใช่ใแล้วก็ไปพยายามเค้นให้มันได้ก็เลยเลิกเลยค่ะนั่นแหละมันไม่ได้สร้างเหตุสร้างผลอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเรานั่งสมาธิตามที่พี่บอกเนี่ยมันก็เหมือนกับโอเคตั้งใจฟังแต่ความเคยชินแบบเก่าๆที่มันเครียดเนี่ยมันก็กลับมามันมันชวนให้ท้อนะมันมันรู้ก็จริงรู้ตามก็จริงเข้าใจอะไรก็จริงแต่ว่ามัน เหมือนกับถูกอารมณ์ท้อมาดึงมาหานมาหานความสุขไปครึ่งหนึ่งนะเข้าใจใช่ไหมคํคาว่ามาหานความสุขเนี่ยมัน ม, ม, มั น, ม, ม, นมันเหมือนกับแทนที่เราจะสุขเต็มที่มันถูกไอาอารมณ์เก่าๆอารมณ์ท้ออารมณ์เครียดมาแย่งมาแย่งความสุขนั้นไปทําให้รู้สึกเหมือนกับไม่เต็มที่คือฟังฟังฟังตามทําตามก็จริงแต่มันรู้สึกเหมือนกับครึ่งครึ่งกลางกลาง มันไม่ได้เต็มที่เ น, นี่ยคือตอนตอนช่วงช่วงต้นเนี่ยนะแต่ก็ไม่เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าน้อยนะคะไม่ไม่ค่อยปล่อเกาเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ทำมันไม่ได้เหมือนอะถูกปล่อยเกาะอยู่คนเดียวไงนะไปไปลองเปิดเนี่ย s a u c o u d c o m แล้วก็ slash d n g t r i n เนี่ยนะมันจะมีวิธีแบบที่พี่สอนแบบเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็จะถ้าแบบเนี้ยมันมันต้องมันต้องอาศัย เสียงไกลนิดหนึ่งเพราะมันเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปแล้วมันไปปักใจไปแล้วว่านั่งแล้วมันผิดนั่งแล้วมันไม่ดีนะแล้วถ้าเดินจงกรมมาคะตอนนี้ก็คือเดินจงกรมก็ใช้ได้นะคือ ค, คือมันก็มีความเบาแต่ว่ามันเป็นเบาแบบสมถะมันไม่ได้เห็นว่าร่างกายแสดงความไม่เที่ยงที่ตรงไหนไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอนัตตา ย, ยัางไง<ะ>มันรู้สึกว่าเบาไปอย่างนั้นเอง ดูพอเบาปุ๊บมันรู้สึกติดใจมันรู้สึกดีว่าเราได้เบาแต่ยังมองไม่เห็นทางว่าจะกลับไปเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังได้ยังไงมันมันก็มันก็เบาของมันอยู่อย่างนั้นน ะ, ะในชีวิตจริงๆเนี่ยของเราไม่ใช่คิดเบาเราจะคิดแบบย้อนไปย้อนมามันมันยังคิดแบบวกไปวนมาอยู่มันไม่เหมือนตอนจงกรมตอนจงกลมเนี่ย จิตของเราจะเหมือนกับเดินเป็นเส้นตรงเข้าใจไหมคือมันมันมีความนิ่งเป็นบางจังหวะนะคื อ, อคือจังหวะที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีความเบามีความนิ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเออไม่วกวนแต่ในชีวิตประจาวันบางทีมันยังคิดวนอยู่เพราะเป็นนิสัยเดิมทางความคิดทีนี้ถ้าเราจะเอาตรงนี้มาบวกกันให้ได้ประโยชน์ยังไงก็คือว่าเวลาเดินจงกรม จนกรทั่งเกิดความนิ่งความว่างความเบาเราก็ดูไปว่าความคิดเนี่ยมันไม่มีอยู่ในหัวแล้วสังเกตว่าในความว่างความเบาความสบายนั้นเนะ่ความคิดมันกลับมาเมื่อไหร่พอความคิดมันกลับมานะมันจะมีอะไรเหมือนยุ่งยุ่งขยุกขยุยอยู่ในหัวคือแค่เห็นแล้วก็ยอมรับสภาพไม่เ อ, อ่ยมันมีอาการขยุกขยุอยมีอาการเนี่ยคล้ายๆแบบนี้แหละ พ อ, พอพูดถึงมันก็ <Keep S 1> มันก็คิดตาม <Keep. S 1> ขึ้นมาเ mm hmm. นี่ยคือแค่ยอมรับสภาพว่ามันกําลังมีภาวะอย่างนั้นอยู่เนี่ยเอออันเนี้เกือบคลายแต่แต่มันไม่ได้ยอมรับทั้งหมดนะมันยอมมันอันนี้แบบตั้งใจไปด้วยคือเหมือนเหมือนตั้งใจงตั้งใจเล็งแล้วก็เออนั่นแหละนะที่ถูกแล้วเนี่ยคือเราแค่รู้สึกถึงท่านั่งเนี่ยกําลังนั่งอยู่และเห็นว่ามีอะไรขยุกขยุอยู่ในหัว แค่นั้นเองเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเบาลงนึกถึงท่านั่งก่อนเอาเอาหลักเอาที่ตั้งที่ชัดเจนที่มันมีตัวตนจับต้องได้แล้วก่อนนะอันนี้มันมันเริ่มกลับไปอ่าเราก็แค่ยอมรับมันมันกลับไปหมุนหมุนหมุนใหม่เออเนี่ยมันค่อยมันค่อยช้าลงเห็นไหมมันมีจังหวะเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมุนขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ช้าลงไปอย่าคาดหวังว่ามันจะช้าแล้วช้าเลยหรือว่าหายไปเลย ให้คาดหวังว่าเราจะเห็นมันเกิดเกิดดำดำเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ใหม่เดี๋ยวก็หายไปหรือไม่ก็ชะลอลงเนี่ยคาดหวังที่จะเห็นความไม่เที่ยงไม่คาดหวังที่จะเห็นอะไรหายแล้วหายเลยของเรามันเหมือนกับคือจิตมันเคลือบความเศร้าด้วยอะเคลือบความรู้สึกแบบเหมือนเวลาเดินเคยแดนจงกรมครั้งหนึ่งแล้วก็ แล้วก็รู้คืออยู่ๆก็รู้สึกว่าเอ้ยโลกนี้เป็นทุกข์ร่างกายคือโลกนี้เป็นทุกข์จริงๆมันปอธิบายไม่ถูกกันนะคะแล้วก็แล้วก็ร้องไห้แล้วก็เลยคิดว่าก็ไปคิดถึงครูบาอาจารย์ว่าโหเขาแบบตั้งใจปฏิบัติกัน30ปีคือบวชตั้งแต่ย0ปีจนถึง 50-60 จนถึงเป็นพระอริยะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอย่ามาเสียเวลาในชาตินี้เลยเราเอาจริงเลยดีกว่าก็เลย ตัดสินใจลาออกแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเลยอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณดังตินช่วยแนะนำหน่อยค่ะที่ที่เห็นว่าชีวิตมันเป็นทุกข์น่ยมันเป็นแรงดันจากของเก่านะภายในว่าเออเราอยากจะพ้นจากภาวะเวียนว่ายตายเกิดเราอยากจะออได้มีความสุขแบบพระอราหันต์ท่านบ้างอะไรอย่างนี้นะมันมันเป็นความออตงแต่งในแบบหนึง่ง จริงๆแล้วใจมันยังใจมันยังเหมือนกับมองไม่เห็นความทุกข์จริงๆที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตามันเป็นแค่ความรู้สึกว่าชีวิตเป็นทุกข์จากแรงดันของเก่านี้วิธีที่จะทำให้ของใหม่เนี่ยมันสามารถเห็นชีวิตเป็นทุกข์ได้เป็นปกติโดยไม่เกิดความรู้สึกเศร้าหมองก็คือต้องค่อยๆเข้ามาที่กาย เข้ามาที่ภาวะทางใจที่มันกําลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรามันไม่อย่างงั้นไงคือมันไปทางจินตนาการซะเกือบครึ่งหนึ่งจินตนาการว่าชีวิตเป็นทุกข์เข้าใจไหมมันต่างกันนะแต่ตอนที่เราเห็นสภาวะร่างกายเห็นสภาวะของจิตใจจริงๆรพระพุทธเจ้าตัดสรุปว่าสิ่งที่เป็นทุกข์คืออุปทานขันขันอันเป็นที่ตั้งของอุปทานนั่นก็คือกายใจอันเป็นที่ตั้ง ของอุปทานว่าเป็นตัวเราพูดง่ายๆเนี่ยอย่างร่างกายเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นเราจิตใจรู้สึกว่านี่อยากได้อรหัตผลอยากพ้นทุกข์นี่ก็เป็นที่ตั้งของตัวเราแล้วพูดง่ายๆแม้กระทั่งความรู้สึกว่าเราอยากเป็นพระอรหรันตรือว่าาเราอยากพ้นทุกข์นี่ก็มีเราแล้วแต่ถ้าตัดคําว่าเราตัดคําว่าอยากทิง้ง เนีเหลือแต่ว่าทุกข์กับพ้นทุกข์อย่างเงี้ยมันเหลือแต่สภาวะล้วนๆไม่มีใจของเราเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่สภาวะทางใจอย่างหนึ่งเห็นความจริงอยู่ที่กําลังปรากฏเนี่ยว่ากายนี้เป็นที่ตั้งของอุปทานความปรุงแต่งทางใจเป็นที่ตั้งของอุปทานอุปทานว่ามีเราเราจะอย่างนั้นเราจะอย่างนี้พอถอดเอาความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาออกไปเหลือแต่ภาวะ ทางกายเหลือแต่ภาวะทางใจที่กำลังปรากฏเกิดดับเกิดดับตัวนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ถูกรู้จริงๆความทุกข์ในปัจจุบันถูกรู้นะครานี้มันจะไม่มีความสร้างหมองมันจะมีแต่ความเห็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏตั้งให้รู้อยู่สิ่งนั้นควรจะมีอุเบกขามีความวางเฉย นะมันปรากฏยังไงเรายอมรับตามจริงไปนั่นแหละตัวยอมรับตามจริงนั่นแหละคืออุเบกขาเข้าใจพอยนะที่ผ่านมามันไม่ยอมรับไงมันพยายามจะดิ้นรนหนีที่มันเศร้าหมองเพราะว่ามันเศร้าจากแรงดันภายในมันไม่ใช่เศร้าจากการเห็นจริงว่าชีวิตเป็นทุกข์ถ้าเห็นจริงว่าชีวิตเป็นทุกข์นั้นต้องเห็นทั้งกายทั้งจิตทั้งการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันสักแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราไม่ต้องไปแคร์แต่นี่มันยังแคร์ไง แค่ความเป็นชีวิตและแข่ความเป็นเรามันเลยเหลือเราแล้วมองไม่เห็นว่าตัวเรานั่นเน่ยมันแค่อุปทานค่อยๆดูแล้วท ำ, ำไงไม่ให้เห็นเรานะคะก็เห็นสภาวะจริงๆเป็นนั่งสมาธิให้เป็นนะไปไปว่าแล้วก็เดินโยกลมให้ให้เกิดความเข้าใจคือที่ผ่านมามันเอาแต่ตอนที่มันนิ่งตอนที่มันสบาย แต่มันไม่ยอมเปรียบเทียบตอนที่ความคิดมันกลับเข้ามาตอนที่ความรู้สึกในเรามันกลับเข้ามามันมองไม่เห็นภาวะปรุงแต่งทางจิตมันเห็นแต่จะเอาแต่ดีอ่ะแล้วก็ยึดว่าไอ้ที่ดีตรงนี้ไอ้ที่สงบตรงนี้มันคือความพ้นทุกยังไม่ได้พ้นไปไหนเลยมันแค่ภาวะธรรมดาๆรรของคนที่เดินจงกรมมีภาวะดีๆอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยให้รีบเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นภาวะหนึ่ง มันมาปรากฏให้ดูว่าไม่เที่ยงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเพราะมีความปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอย่าไปรังเกียจมันแต่รู้มันว่าแตกต่างกับตอนสงบยังไงนะพอรู้แบบยอมรับมันก็จะเหมือนเมื่อกี้เนียมันก็จะเหมือนหายไปหายไปเฉยๆง่ายๆสวัสดีครับเพิ่งมาครั้งแรกครับคาถามคงไม่มีครับพอดีได้คาตอบไปไปหลายอันแล้ว เดี๋ยวให้ภรรยาเขาถามนะครับสวัสดีค่ะมาครั้งแรกค่ะก็พยายามคือเชื่อครูบาอาจารย์นะคะว่าขยันก็ปฏิบตัติขี้เกียจก็ปฏิบตัติทีนี้ตอนขยันเนี่ยมันไม่มีปัญหาะคะ่ะเพราะทุกครั้งที่คือนั่งสมาธิทุกวันนะคะทุกครั้งที่ที่ทก็มีความตั้งใจแต่เราก็เห็นถึงความไม่เที่ยงแหละว่าพอเราตั้งใจบางทีมันก็มัน มันก็ขี้เกียจขึ้นมาในระหว่างที่ที่เรานั่งสมาธิคือมันอึดอัดมากมันไม่อยากทําลมันมันมันเห็นใจที่บีบคั้นว่าเราพอแล้วล่ะอยากจะหยุดแต่มันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันกิเลสหรือเปล่านะแต่ว่าหรือว่านี่แหละมันคือความไม่เที่ยงของความรู้สึกเพราะงั้นดูมันไปสักระยะหนึ่งแต่มันก็จะดูไม่นานนะคะเพราะมันจะแพ้แล้วก็จะรู้สึกว่าอืมงั้นเราหยุดละกันอ่ะก็ออกจากสมาธิคำถามก็คือว่าจริงๆแล้ว การจะออกแต่สมาธิงงมันจะประมาณประมาณแค่ไหนเดีหรือว่าอย่างนี้คือเราตามใจกิเลสหรือเราเห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วเราก็โอเคมันมันพอเท่านี้ก็คือเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเอาละที่ผ่านมาคุณจะทําถูกหรือทําผิดยกไว้ก่อนแต่ขอให้เห็นว่าสิ่งที่กํลาลังติดอยู่คือ ค, อความสงสัยหรือที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องขวางสติเป็นเครื่องขวางขวางความเจริญของสตินะวิจิตริกชาก ค, คือความลังเลสงสัย ไม่ว่าจะทำถูกหรือทำผิดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าตราบใด ย, ยังมีวิจิจรฉายอยู่มันจะเหมือนกับมีตัวรบกวนตัวทำให้ความคิดของเราวกวนไม่เห็นสภาวะตามจริงเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นพ อ, อนั่งๆไปเหมือนจะนิ่งอยู่แล้วนะเนี่กิดความรู้สึกเอ๊ะต้องทำไงต่อท่านเริ่มนิ่งแล้วอย่างนั้นมันไม่นิ่งแล้วหรือพอจะออกจากสมาธิเอ๊ะมันพอหรือ ย, อยัง มันนานหรือเปล่ามันมันนานเกินไปไหมหรือว่าเอสขอต่ออีกสักนิดมี extension มันถึงจะเหมาะสมไหมนี่คือวิจิิจฉามันติดตามเราเป็นเงาตามตัวไม่ว่าเราจะได้สภาวะอะไรไม่ว่าเราจะทำได้มากหรือทำได้น้อยแค่ไหนนะมันมีวิจิิจฉาเคลือบอยู่ถ้าเราไม่สามารถที่จะเห็นตัววิกิวิวจิฉาได้เราจะไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะธรรมตามจริงเต็มร้อยได้ เนี่ยที่ท่านบอกไว้เป็นยิวอนเครื่องขวางเครื่องขวางความเจริญก้าวหน้าของการเจริญสติก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าสติเนี่ยมันไม่ทํางานเต็มร้อยการาระลึกรู้หรือว่าการที่จิตเข้าไปเห็นสภาวะที่กําลังปรากฏต่อหน้าด่อตาเนี่ยมันไม่จริงมันมันชอบมีของแถมนะที่เป็นตัวทำให้วกวนทําให้เกิดความคลงเคลง ทำให้เกิดความไม่ไม่นิ่งไม่เที่ยงลักษณะของจิตที่จะเห็นตามจริงได้ต้องมีความตรงต้องมีความนิ่งต้องมีความสามารถที่จะ เ, เห็นอะไรอะไรตามที่มันปรากฏอยู่แต่พอมีวิจิกิจชาคกอบอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนมีเมฆหมอกมีคลื่นรบกวนทําให้ทัศนวิสัยที่จะแทนที่จะเห็นเต็มร้อยเนี่ยมันเหมือนถูงเมฆหมอกบทบงังทําให้พร่าเรือนทําให้มัวสวัวนะพอพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บ สิ่งที่จะไปทาไปปฏิบัติจริงๆก็คือเมื่อเกิดความลังเลสงสัยไม่ว่าจะถามตัวเองเป็นคำถามไหนก็แล้วแต่ให้เราแปะไป้ายไว้เลยว่านี่วิจิจรฉามันปรากฏให้เราเห็นแล้วแทนที่จะไปหลงกลมันแล้วก็ไปหาคําตอบตามมันไปหาคําตอบบำรุงกิเลสให้กับมันเนี่ยให้เห็นไปตรงๆว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมีสภาวะพระโมวมันมีสภาวะของคลื่นรบกวน เหมือนกันเนี่ยเราเรานั่งสมาธิไปกําลังจะออกอยู่แล้วนะแทนที่เราจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนจากสภาวะนิ่งไปเป็นสภาวะคิดหรือว่าถอนจากอาการหลับตาไปเป็นลืมตายซึ่งมันเป็นวิธีรู้ที่ถูกต้องมันกลายไปว่าเอ๊ะนานไปหรือเปล่าเอ๊ะสั้นไปหรือเปล่านะเอ๊ะจะนั่งต่อสักอีกนิดหนึ่งดีไหมมันกลายเป็นเอ๊ะมันกลายเป็นเคลื่อนทบกวน ความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาถ้าเราไม่เห็นมันมันก็จะเอะอยู่นั่นน่ะเอะทุกวันนะแต่ถ้าเห็นมันเริ่มเห็นได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยสมมติมันเนี่ยนั่งสมาธิไปเกือบจะออกจากสมาธิเอ๊ะสงสัยเดี๋ยวจะไปทำอะไรดีเอ๊ะสงสัยมันทำน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยที่ผ่านมาตรงเนี้ยมันมันจะเกิดความรู้สึกว่ามีอะไรรบกวนจิตใจ เงเห็นคลื่นนบกวนจิตใจตรงนั้นเนี่ยพ่ามันผุดขึ้นมาพอเห็นปุ๊บอ้อนี่เขาเรียกวิจิกิจฉาคุณดังตินบอกว่าวิจิกิจฉาจําไว้แล้วเสร็จละอ้อนมันเห็นจริงๆด้วยวิจิกิจฉาเนี่ยพอเห็นปุ๊บความเป็นวิจิกิจฉาเนี่ยแสดงตัวว่าเป็นคลื่นนบกวนมาทําให้เรายุกยิกยุกยิกเสร็จละพอเห็นตัววิจิกิจฉาแบบจับได้ได้ทันมันมันค่อยๆคลายตัวลงแล้วใจเรา กลับไปมีความรู้สึกสบายๆปลอดโปร่งเหมือนเดิมเนี่ยเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงของวิจิกิจชาแล้วต่อไปไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรแล้วเกิดความรู้สึกสงสัยเกิดคำถามอยากได้คำตอบเนี่ยดูตัวเนี้ยดูตัวคลื่นรบกวนที่มันปรากฏต่อจิตนะเสมือนเมฆหมอกเหมือนเครื่องเบีเ่ยงเบนให้ออกจากความสนใจสภาวธรรมตามจริงนะ สวัสดีค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแต่ว่าเมื่อปีก่อนก็เคยฟังพี่ตุลพูดในดังตีนวิสัชนานะคะโดยส่วนตัวส่วนตัวแล้วพิมพ์เป็นคนที่ฟุ้งซ่าน ง, ง่ายแล้วก็ฟุ้งง่ายคิดกบกวนแล้วตอนหลังพอมันมีปัญหามีอะไรเข้ามารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอดทนต่ำอะคะ่ะแม้ว่าจะพยายามวางใจแล้วว่า ถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะวางใจให้ให้กลางให้รู้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีคือพยายามที่จะไม่ติดดียวค่ะแม้กระทั่งการปฏิบัติเองแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าปฏิบัติเนี่ยช่วงเดือนหลังสามสี่ 3, 4, 5เดือนหลังเนี่ยคือไม่ค่อยได้ทําเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนมีความอดทนต่ําจริงๆหรือเปล่าอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุที่มันเป็นปมของเราจริงๆนะคือเราอยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ย ก็ใช้ได้เลยนะเก่งไม่ว่าเออก็แน่เหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้างในของเรามันบางทีมันตปรา บ, บางคือคือรู้สึกอยู่ข้างในบางทีเราเหมือนทำไม่ได้เท่าคนอื่นเขาหรือว่ า, าทำไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาน่าจะคาดหวังอะไรแบบนี้พูดง่ายๆไปผูกโยงอยู่กับความรู้สึกว่าเราน่าจะทำไม่ได้เท่านั้นเท่านี้นะมันมันเลยกลายเป็นเหมือนกับ พอทำสมมุติทําอะไรตั้งใจทําอะไรแล้วไม่สําเร็จเนี่ยหรือไม่ไม่ได้ทันใจไม่ได้อย่างใจมันเลยมันเลยอยากจะถอนถอนเท้ากลางคันอะไรแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นต้นเหตุของอาการที่เราเรียกว่าอดทนต่ําจริงๆอันนี้เป็นทั้งเรื่องงานที่เป็นโลกภายนอกแล้วก็เป็นทั้งการปฏิบัติ ด, ด้วยอะค่ะเนี่ยคือพูดง่ายๆว่า เราเราพูดกันชัดๆนะเราก็อยากแน่เหมือนกันเราเราก็อยากจะรู้สึกว่าอยากเป็นคนเก่งอ่ะนะข้างในลึกๆนะแล้วทีนี้พอรู้สึกเหมือนกัว่าพอทําอะไรมันไม่ได้เท่าคนที่เราตั้งตั้งเป้าไว้อะว่าเขาเก่งมันก็รู้สึกมืออ่อนเท้าอ่อน พี่ตูนมีอะไรแนะนำให้ตรงเนี้ยพอย n t point คือว่าถ้าเราเห็นภาพทางใจของเรานะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่มันจะเริ่มมองเข้ามาว่ามันมีอาการข้างในมีอัตตาอยู่ระดับหนึ่งนะมีความอยากจะเจ๋งเนี้แต่พอมันรู้สึกว่าไม่เจ๋งมันเจ๋งให้ได้เท่าที่ต้องการไม่ได้มันก็อ่อนยวบลงแล้วก็รู้สึกพอพอมันมันไม่เจ๋งอย่างที่คิดเนะ่ย มันค่้ายๆว่าจะทําอะไรแล้วไม่อยากไม่อยากอดทนไม่อยากฝืนไม่อยากสู้เนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นรากของปัญหาจริงๆคือไม่ใช่อยู่ๆเราเป็นคนอดทนต่ําใจจริงๆของเราลึกๆเนี่ยอยากสู้ด้วยซ้ํานึกออกไหมอาการอยากสู้อ่ะก็คือแบบอยากฮึดอยากที่จะเข้มแข็งอยากที่จะ ทำอะไรให้สำเร็จแต่ความคาดหวังของเรามันมันมักจะสูงเกินกว่าที่จะไปไปแบบค่อยเป็นค่อยไปไงเราชอบแบบขึ้นมายกแลกเจ๋งเลยพยายามโฟกัสมันแต่ว่าเวลาที่หมดแรงอะค่ะมันเหมือนคนมืออ่อนเท้าอ่อนไงมันหมดแรงไปฟื้ดลงต่ําลงเลยอะค่ะมันเหมือนมือมันจะไม่อยากขยับ นี่คือน้องไม่เข้าใจปมปัญหาที่แท้จริงของตัวเองไงคือไม่ได้มองตรงนั้นแหะว่ามันเพราะว่าเราคาดหวังไว้สูงเกินจริงคาดหวังเกี่ยวกับตัวเองเ่ยคือลึกๆมันรู้สึกนะว่าเราก็เจ๋งเหมือนกันอันนี้ต้องพูดตรงๆนะมันมันจะได้เข้าใจแต่พอรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะที่นิยามว่าเจ๋งเนี่ยเราไปมองคนบางคนไว้เนี่ย เรารู้สึกว่าโอ้ยสู้เขาไม่ได้อะอยังไงก็สู้ไม่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะสั่งสมการแข่งขันอะไรมาตั้งแต่วัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วแล้วมันรู้สึกเฟลรู้สึกเออไม่สำเรสอะไรทั้งหลายเนี้ยคือมันสั่งสมมาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งกลายเป็นอารมณ์ประมาณว่าพร้อมจะมืออ่อนเท้าอ่อนนี่ถ้าน้องเข้าใจภาพรวมของจิตภาพรวมของชีวิตว่ามันเป็นมาแบบ ตั้งหน้าตั้งตาเกินตัวแล้วก็ล้มล้มคว่ำไม่ไม่เป็นท่าอย่างเงี้ยพอเห็นเป็นภาพทางจิตแบบนี้นะมันมันก็จะเกิดมุมมองขึ้นมาอีกมุมมองหนึ่งว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องคาดหวังได้ไหมอะไรที่มันเบื่อๆหรือรที่มันเกินๆคือบางทีเราลืมๆไปแล้วได้ซ้ํานะไอ้ไอ้คาดหม่ว่าจะต้องเจ๋งว่าจะต้องอะไรเนะี่ยแต่ถ้านึกดูมันจะยังอยู่ตรงนั้นแหละนี้เอาใหม่ คือบอกตัวเองว่าที่มันจะรู้สึกเต็มไม่ต้องเจ๋งก็ได้คาว่าเต็มเนี่ยหมายว่าความรู้สึกมันเต็มใจที่จะทำงานเต็มใจที่จะค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆความคาดหวังเล็กๆยกตัวอย่างเช่นอย่างของเราเนี่ยนะถ้าถ้ามันจะเป็นไปได้เนี่ยก็สมมติตั้งใจว่าจะไปทำบุญ ตั้งใจว่าเนี่ยไปคนเดียวเลยนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาตั้งใจทำอาหารเองแล้วก็ไปใส่บาตรถ้าทำตามความตั้งใจได้มันจะรู้สึกเจ๋งขึ้นมาละอย่างน้อยเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้เอาชนะความรู้สึกมืออ่อนเท้าอ่อนไม่อยากลุกอยากที่นอนมันจะเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นขึ้นมาใหม่ว่าเนี่ยเริ่มจากอะไรเล็กๆที่มันเป็นไปได้จริง แล้วค่อยๆสั่งสมขึ้นมาอย่างคือจุดหนึ่งนะลองดูความขัดแย้งตรงนี้นะวิธีการใช้เหตุผลของเราเป็นวิธีการใช้เหตุผลที่ดีคือเราเป็นคนคิดเข้าท่าสอนตัวเองได้สอนคนอื่นได้แต่มันไม่มั่นใจในตัวเองคือคนบางคนเนี่ยคิดดีทุกอย่างนะระบบความคิดเนี่ยออกมาแบบเหมือนคนที่ฉลาดมากๆ แต่พอใจลึกๆของเราไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองมันก็เหมือนกับมีความขัดแย้งอยู่ข้างในมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อยู่ในตัวคนเดียวกันเข้าใจพอยนี้ไหมเข้าใจค่ะมันเริ่มมาจากความขัดแยง้งไม่รู้ตัวเองเป็นตรงไหนกันแน่ตัวไหนกันแน่นี่ถ้าเราค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาอย่างที่พี่ว่าเนี่ยตั้งใจลุขึ้นมาใส่บาตรแต่เช้านะหรือว่า ไปทำบุญอันไหนไม่ต้องชวนเพื่อนไปทําคนเดียวเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นมาเข้มแข็งที่จะทําตามลําพังในที่ผ่านมาเนี่ยลึกๆของเราเป็นคนเข้มแข็งแต่ใหม่ๆเนี่ยไอ้กรรมใหม่ๆเนี่ยก็คือว่าเราชอบชวนคนน้อนคนนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองที่จะไปทําอะไรคนเดียวตามลําพังต้องมีเพื่อนไมาก่อนกลัวแปลกกลัวเป็นของแปลกไหมลองใหม่ตัวเดิมของเราอ่ะ มันอยากทำอะไรเนี่ยทำเลยถ้ามันดีเนี่ยทำเองคนเดียวเลยคือไม่ใช่ว่าไม่ต่อไปไม่ต้องชวนใครเลยนะแต่แต่แตมาฝึกฝึกกันใหม่ในช่วงที่จะบิวบิวไอ้ตัวเนี่ยบิวไอ้ตัวความเชื่อมั่นในตัวเองนะทำคนเดียวไม่ต้องชวนคนอื่นของเราเนี่ยพอคนอื่นเอ้ยไปทำทาไมมันบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยอันนี้บ้านี่ว่าตกลงไม่ทำอย่างเงี้ย คือมันเสียความเชื่อมัน่นเพราะเพื่อนแต่เราอะ่ะจริงๆโดยข้างในมันเป็นผู้นํามันต้องคนมอกว่าอย่างนี้ไม่บ้าอย่างเนี้ถึงปกตินะนึกจะทําอะไรดีๆแล้วขึ้นไปทําเนี่ยไปทําให้สําเร็จเนี่ยอย่างนี้ถึงเรียกว่าปกติเออเพื่อนบอกเฮ้ยบาฮาเปล่าเฮ้ยบ้ า, านู่ว่าไม่ทำดีกว่าอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้ความรู้สึกที่ว่าเราค่อยๆทําขึ้นมาตามลําดับเนี่ย มันเนี่ยไอความเจ๋งมันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เจ๋งเวอรแต่เป็นเจ๋งที่ชนะตัวเองได้ชนะกิเลสของตัวเองได้แล้วสามารถทําได้คนเดียวไม่ใช่ต้องไปเที่ยวถามคนอื่นว่าดีทําดีหรือเปล่าไม่มีเพื่อนไปปุ๊บเนี่รู้สึกหนาวนะไอความรู้สึกว่าจะโดดเดี่ยวไอความรู้สึกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงของเรามันกลายเป็นความไม่เชื่อมั่นที่เกิดจากความเคยชินที่จะต้องมีพรรคพวก นะต้องมีคนเห็นด้วยไอเนี่ยเหล่านี้เห็นไหมเราเรามองเป็นภาพของชีวิตทั้งหมดเนี่ยต้นเหตุของความรู้สึกอยากมืออ่อนเท้าอ่อนทั้งนั้นเลยคือมันขาดความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมารื้อฟื้นใหม่ด้วยบุญด้วยกุศลตั้งใจทําบุญตั้งใจทํากุศลด้วยตัวเองแล้วทําให้สําเร็จมันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเออเนี่ย ไอ้ที่เป็นความรู้สุกเจ๋งของเราลึกๆเนี่ยมันมาจากตรงนี้เนะี่ยคิดเขาทําได้เริ่มจากอะไรเล็กๆที่มันเป็นไปได้จริงไม่ใช่ใหญ่เวอ่อนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีไม่มีคําถามแต่ว่าตั้งใจมากราบขอบพระคุณพี่ตนที่เป็นเป็นอาจารย์ทางธรรมคนแรกที่ทําให้ฉันกลับมาดูตัวเองว่าเราทํากรรมอะไรไว้ กิเลสกรรมวิบากมันมีจริงก็ทำให้หันกลับไปฉุกคิดแล้วก็ไปศึกษาพระพุทธเจ้าดีใจด้วยนะอนุโมทนาจ้ะแล้วก็สิ่งที่มันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกได้บางทีมันบางวันนี้มันสว่างสว่างเลยนะเราวกับว่าแต่ก่อนนี้มันมันอยู่กับความมืดมอดนล้วพอมันสว่างขึ้นมาพอบทมันจะสว่างเนี่ยมันสวิงนะ นี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากุศลธรรมหรือว่าบุญกุศลเนี่ยมันปรากฏแสดงได้ก่อนตายแต่ก่อนมันจะมีเหมือนอะไรปกปิดเหมือนจะคอยค้านคอยไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างว่าเวลาเห็นความจริงมันเห็นอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมันมันไม่ใช่ต้องตายซะก่อนแล้วถึงจะได้เห็นก็มีบุญมากที่ยังยังมีลมหายใจได้พัฒนาเปลี่ยน<ช>แปลงใช่ นะอย่างหนึ่งนะคือทุกวันนี่ยบางทีบางช่วงมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราเก้าวหน้าขึ้นไปบางบางช่วงมันจะเหมือนกับย่าอยู่กับที่หรือบางทีถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยนะให้มองเป็นความไม่เที่ยงคือมองเป็นภาพรวมไม่ใช่ความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่แสดงตัวเป็นแบบขณะขณะเป็นวินาทีเสมอไปบางทีมันแสดงเป็นชั่วโมงเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนนะ บางช่วงมันอาจจะเกิดความรู้สึกว่าได้แค่เนี้ยไม่ได้ไปถึงไหนแล้วก็แปะป้ายมันไม่เลยเรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงแปก๊กกำลังอยู่ในช่วงที่ถอยหลังนะแต่บางช่วงเนียมันเหมือนเราไม่ได้พยายามอะไรแต่กลับสว่างเอาสว่างเอ า, า, เอารู้สึกเหมือนคิดอะไรมันปลอดโปร่งไปหมดเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหตุปัจจัยคือของเก่าเนี่ยเราคิดไม่ดีไว้เยอะนะ บางทีมันเวลามันย้อนกลับมาให้ผลมันก็แสดงในลักษณะเหมือนมีอะไรครอบมันติดมันตันไปหมดมันมันเหมือนกัจะพยายามยังไงมันก็ไม่ไปมันก็มันก็ไม่ก้าวหน้าไปแต่บางช่วงมันกลับมีความรู้สึกเหมือนว่าเออมันสว่างมันสบายใจแล้วคิดอะไรคือคือเราจะมีสองความสองหมวดของความคิดหมดหนึ่งเหมือนกับคิดได้ทะลุหมดเลยมันมันมันไวัไปหมดมันเห็นไปหมดมันเข้าใจไปหมด มันสว่างแจ้งไปหมดอีกมวนึงมันเหมือนกับตื้อๆ ต, ตันๆคล้ายๆกับถูกอะไรครอบอยู่แล้วก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่น่าจะคิดได้น่าจะรู้น่าจะเข้าใจนะอันนี้ก็แสดงความไม่เที่ยงของจิตเหมือนกันแสดงความไม่เที่ยงของอาการทรุงแต่งทางใจซึ่งถ้าเห็นเป็นความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้จิตฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะนักโวทนานะฮะ สวัสดีค่ะจริงๆเข้าใจพี่เลยเพราะว่าวันนี้ก็มาครั้งแรกแล้วก็พี่พี่ตุนนะคะเป็นเหมือนคืออ่านคือก่อนหน้าที่จะมาอ่านหนังสือของพี่ก็คือยังไม่ได้ลึกซึ้งยังไม่ได้เข้าใจอะไรเพราะพุทธศาสนาเลยปฏิบัติบ้บางแต่ว่าเข้าใจน้อยมากพอได้มาอ่านหนังสือแล้วก็ถึงจะเข้าใจมากขึ้นชีวิตที่เคยแบบเหมือนหลงทางหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจมากขึ้นว่าเกิดมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็แล้วก็น้อมนำการปฏิบัติมาพยายามจะฝึกปฏิบัติแต่ว่าก็เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ไปถึงไหนแล้วก็กินเลนยังอยู่เต็มปุ๊ดเลยเส่วนที่ตรงอยากจะได้ข้อแนะนำเป็นพิเศษก็คือเรื่องการเจริญสติก็รู้สึกว่ายังอ่อนมากส่วนเรื่องการนั่งสมาธิอะไรก็คือยังเริ่มต้นนะคะก็ขอคำแนะนำกันเลยแล้วกันค่ะนี่เราทางานเกี่ยวกยับอะไร ไม่ได้ทาค่ะเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อโอเคคือเหมือนกับคือสมองของเรามันเหมือนถูกออกแบบมาให้เป็นคนคิดแก้ปัญหาอะไรค่อนข้างลึกซึ้งอ่ะนะมันมันไม่ใช่แค่ไปแก้ปัญหาเรื่องปัดกวาดอะไรเป็นแม่บ้านเป็นอะไรเฉยเฉยรู้สึกไหมมันบางทีมันไม่ได้ทำในสิ่งที่น่าจะทำอะ่ะ เดนะี๋ยวนี้มีอินเทอร์เนต็ตเป็นเม่นพันธ์ก็ใช้ความฉลาดทางเนต็ตก็ได้นะไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมุติเราเราอยู่เป็นค า, ารวาสเนี่ยเราไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่มันจะมันจะไม่ทำให้เกิดสติมันจะไม่เป็นฐานของสติที่สมบูรณ์นะ จะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำทำอะไรไปเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดหรอกแต่ว่ามันมันไม่ถูกมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ายังยังไม่ใช่ตัวเราเนะีพอรู้สึกเหมือนกับงานคือไม่ใช่ไม่ทำงานแม่บ้านนะแต่ว่าควรจะทำอะไรที่มันใช้สมเพราะสมองเราถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะต้อง ใช้ใช้ความคิดใช้ความฉลาดอะไรแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่เหมาะที่จะปล่อยทิ้งไมเเ่เปล่าเปล่าเสียของที่รู้จักเยอะที่แบบพอแต่งงานเป็นแม่บ้านปุ๊บนะบางคนนี่เขียนนิยมเหรียญทองนะหรือว่าม า, าเป็นแม่บ้านนี่มีข้ออ้างเดี๋ยวขอทำตรงนี้ไปก่อนอะไรเงี้ย มันขี้เกียจอยู่แค่ไม่กี่วันรู้ตัวเองสิปีผ่านไปไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจริญสติก็มีความสึงเหมือนเบลอ เ, เหมือนก่าใจมันพร้อมจะเมอเมื่อที่ผ่านมามันไม่ได้ใช้ไอ้สิ่งที่ถูกออกแบบมาให้เป็นสมองของตัวเองก็เลยคลื่นสมองมันในทำงานผิดปกติคือจากที่มันควรจะโฟกัสมันกลายเป็นไม่โฟกัสจากที่มันควรจะแบบ หมุนจีพอสมควรเนี่ยเพื่อที่จะคิดอะไรเร็วๆหรือแก้ปัญหาลึกๆเนี่ยกลายเปนแบบมัวแต่แก้ปัญหาตื้นๆแล้วมันบางทีทําให้เกิดอาการว่าขี้เกียจที่จะไปโฟกัสเพราะเนี่แบบู้สึกไม่ใช่ตัวเองละเพราะฉะนั้นทําไปก็คิดนิดเดียวก็พอคือคิดนิดเดียวคิดนิดเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ เป็นช่วงเวลานานๆน่มันก็เลยเป็นช่องว่างให้เกิดความเมือ่อเป็นช่องว่างให้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับหลงไปอ่ะพร้อมจะหลงไปตามกิเลส ท, ที่มันส่งเหยื่อล่อมานของเราเนี่ยทุกวันเนียพอใช้ความคิดอะไรที่มันแบบฉลาดฉลาดเนี่ยมันกลายเป็นแบบจะเอาอะไรที่มันมันไม่ต้องใช้ความฉลาดขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็เลยเหมือนจะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวของเราจริงๆพอเวลาที่ความรู้สึกโดยพื้นฐานเนี่ยมันผิดที่ผิดทางผิดฝาผิดตัวไปมากๆเข้าแล้วมันจะเลิญสติมันดูไม่ออกว่าจะดูตรงไหนแม้กระทั่งว่าจะพยายามทําสมาธิเนี่ยมันก็จะได้สมาธิแป๊บหนึ่งแล้วก็อยากจะลอยออกไปมันไม่โฟกัสนาน อันนี้ก็ต้องเข้าใจเหตุเข้าใจผลแต่เวลาทก็ทำอย่างที่พี่ว่าเนี่ยตอนต้นเนี่ยถตงเราพอทำไปเนี่ยลองสังเกตตัวเองเนะทั้งทั้งที่มันก็สงบได้ง่า ย, ายสบายได้ง่า ย, ายแต่ว่าความคิดอยากจะออกไปข้างนอกมันชอบมีความคิดลบไม่อยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ก็ทำได้รู้สึกไหม ว่าทำสมาธิเนี่ยคืเ อ, อเราก็ได้ความนิ่งนะแต่มันมีไอความคิดอีกส่วนหนึ่งมันไม่อยากให้นิ่งมันไม่ยอมให้นิ่งกลัวเดี๋ยวจะประสบความสำเร็จทางธรรมมากเกินไปนะนะฮะมันมันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในนี่ต้องค <c oughs> ือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่เรื่องของการเจริญสติอย่างเดียวการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องนังหาอะไรที่เรารู้สึกว่าได้ใช้ ไ ใ, ใช้สมองอ่ะนะเมื่อกี้จะถามเลยเมื่อกี้ว่าไงนะออก็คือจะถามแค่ว่าถ้างางก็คือควรจะหาการงานที่จะต้องใช้สมองพัฒนาสมองอใช้ทุกที่ก็คืออยู่กับบ้านเป็นหลักใช่ไหมค่ะเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกค่ะลูกอายุเท่าไหร่สามข้อสี่เดือนค่ะ น, นี่มันก็เริ่มโตแล้วเนี่ยกนน็ก็ต้องทำงานอือคือคือทําอะไรหาอะไรที่แบบ ทำที่บ้านได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ขายตรงนะอเอาเอาอะไรที่เป็นปรีเลนอะไรทั้งอย่างที่เราได้ใช้สมองจริงๆรอไม่ได้ใช้นานเกินไปมันกลายเป็นความเคยชินนะแบบบางทีมันฟุ้งสัน้นคือมันฟุ้งขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลว่าน้าอาการนั้นเป็นอาการเรียกร้องคันสมองอยากอยากใช้ oh. อยากใช้สมอง บางทีเนี่ยเราคิดไม่ออกไงว่าจะทำอะไรเพราะว่าถ้าทำไปแล้วมันเหมือนการไม่อยู่บนเส้นทางความเคยชินเติมที่สั่งสมมาสามสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดตอนนี้มันจะคิดไม่ทนันละมีที่เจอเยอะประเภทที่นึกว่าเลี้ยงลูกแปบ๊บหนึ่งแต่รู้ตัวอีกทียี่สิบปีผ่านไปแล้วลูกโต เข้ามาหาอะไรแล้วเอายังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเดี๋วพอทาขึ้นมาก็ทําแบบเล่นๆย่อๆแย่ๆรู้สึกว่ า, าไม่ต้องทำกันแตเดี๋ยวมีคนเลี้ยงอยู่แล้วอันนี้มันไม่เกี่ยวกับคนเลี้ยงไม่มีคนเลี้ยงมันเกี่ยวกับว่าสมองเราได้ใช้หรือเปล่านะต้องปกตสให้ถูกแล้วเวลาจเจริญส ต, ติมันจะรู้สึกว่าคือเวลาทํางานมันอาจจะปุ้งมันอาจจะมีความเครียดบ้างอะไรเงี้ยนะ แต่มันจะดีกว่ามีความเหม่อเพราะของเราเนี่ยคือถ้าเหม่อเนี่ยมันจัดการยากแต่ฟุ้งเนี่ยมันยังพอมีหลักดูความฟุง้งหายไปดูความฟุง้งเออค่อยๆลมหายใจนี้ฟุ้งมากลมหายใจต่อไปฟุ้งน้อยลงแต่ความเหม่อเนี่ยคือแค่แค่ดูมันก็ดูไม่ออกแล้วมันเหม่อตอนไหนเพราะมันเหม่อไปแล้วนะ ข้อแนะนำเรื่องการทำสมาธิเพิ่มเติมไหมคะเช่นการนั่งสมาธิอย่างเมื่อกี้ไงที่พี่บอกไ ง, งทั้งๆที่บางทีเราก็รู้สึกว่านิ่งได้แต่แต่ความคิดมันคอยจะดึงออกไปเนี่ยมันเป็นอาการหิวหิวแบบไ ด, ไ, ด ไ, ดได้คิดหนักกว่านี้อะไรเงี้ยเป็นระเบียบกว่านี้สวัสดีค่ะคุณตูน พอดีหนูเป็นคนที่ฟุ้งซ่านนะคะแล้วแบบเป็นคนที่คิดมากคนทั้งโลกอะฟุ้งซ่านแล้วก็คิดมากหวาน <c oughs> นะไม่ใช่เฉพาะหนูแล้วคิดมากแล้วกบ็บางครั้งแบบตั้งใจที่จะทำอะไรไว้แต่ว่าแบบ ไม่เคยทําได้สําเร็จเลยอะค่ะเหมือนก็บอกว่ากิเลสมันมาขวางตลอดทั้งที่บางครั้งก็มีสติรู้นะคะว่าบางครั้งมันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่มันก็มักจะปล่อยไปตามที่เลย น, น, นะคะตรงเนี้ยน้องก็ดูนะว่าพอเรารู้สึกตั้งมกตั้งใจอยากจะทําอะไรให้สําเร็จอยากจะทําอะไรให้ได้แล้วมันล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เข้ามาแทนที่ความตั้งใจนั่นคือโทสะคือเราจะมีความรู้สึกโกรธตัวเองโกรธอะไรที่มาขวางเรานะตัวเนี้ย มันค่อยๆอามาควบคู่กันนะตั้งใจทำอะไรแล้วทำไม่ได้มันจะโกรธโกรธโกรธเข้าใจความโกรธตรงนี้ใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกว่าเราทำไม่สำเร็จหรือมีอะไรมาขวางอ <c oughs> ย่างใดอย่างหนึ่งนี้ถ้าดูตัวความโกรธเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนกับ ดูประหนึ่งว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นตัวที่ผลักดันเป็นกําลังให้เราอยากฮึดขึ้นมาสู้ใหม่แต่ของของน้องเนี่ยมันเป็นตรงข้ามพอมันโกรธตัวเองปุ๊บมันรู้สึกว่ามันหยุดอยู่กับที่ใช่ค่ะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองไหมมันเหมือนหยุด <คำ S 1> ตึกไปเฉยเฉยไม่อยากไม่อยากเดินไปข้างหน้าไม่อยากทำเลยต่อเ่ยเนี่ยตัวเนี้ยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่เปลี่ยนอารมณ์โกรธให้เป็นพลังงาน เรายอมให้ความโกรธเนี่ยครอบงำจิตใจเข้าใจหลักการนะค่ะง่ายๆนิดเดียวเลยคือถ้าเราเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นพลังขับดันให้อยากเดินหน้าต่อมันจะรู้สึกว่ามีแรงคือยั่วตัวเองแล้วก็เอาชนะตัวเองด้วยกันฮึดเดินหน้าต่อไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเจริญและความโกรธมันจะแปลเป็นพลังงานแต่ที่ผ่านมา เรายอมให้ความโกรธหรือกระทั่งความเกลียดตัวเองมันเป็นกลงขังขังให้เราอยู่กับที่ไม่ยอมไปไหนบอกทำไม่สำเร็จเหลอทำโทษตัวเองโดยการยืนอยู่กับที่<ช>มันจะเจริญไหม ance, <l inks> นั่นนะ่นะหนูควรถ้าเกิดไปใช้กับเรื่องพัฒนาการเรียนนะคะควรจะทำไงคะแบบให้แบบ ตั้งใจทใี่แบบจะอ่านหนังสือได้จริงๆหรือว่าตั้งใจจะทําตามความฝันของตัวเองได้จริงๆอะค่ะบางครั้งมันเหมือนมีสิ่งรบกวนเข้ามาไม่ว่าบางครั้งจะเป็นเรื่องความรักบ้างเรื่องความคิดที่เราคิดฟุ้งซ่านบ้างความอยากมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเข้ามารบกวนกเวลาที่มีขึ้นรบกวนจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่จะเกี่ยวข้องมันหรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราตั้งใจทําก็แล้วแต่ให้มองว่ามันเป็นเครื่องขวาง เครื่องลองใจนะถ้าน้องไม่ตั้งตั้งมุมมองไว้ว่ามันคืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะรบกวนจิตใจเราได้ต่อไปแต่ถ้าเราแปะไป้ายไว้ปุ๊บว่านี่คือเครื่องลองใจมันจะท้าทายแล้วว่าเราจะผ่านไปได้ไหมเก็ตไหมยังไม่เคยเก็ตเท่าไหร่ค่ะเอาความจริงค่ะยังยังสมมุติว่าเราสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย เราจะไม่เห็นเขาเป็นคู่ต่อสู้เราจะเห็นเขาเป็นหมูเข้า <c oughs> ใจไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องใช้ความพยายามเราถึงจะแข่งขันหรือว่าเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นั่นแหละคนนั้นถึงจะมีค่าเป็นคู่ต่อสู้ขึ้นมาท่านี้เข้าใจใช่ไหม <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> เวลาที่เราถูกรบกวนด้วยสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจจะเป็นเรื่องความรักจะเป็นเรื่องของไอ้สิ่งรบกวน จะนิดไหนก็แล้วแต่แล้วเราไปตีตรามืนว่าเนี่ยแบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าสิ่งรบกวนจิตใจเป็นเครื่องขวางเครื่องลองใจว่าเราจะผ่านไปได้ไหมมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นสู้สมมุติว่าอ่ ะ, อะเรื่องความรักเนี่ยมันหนีไม่พ้นแหละเมื่อเรายอมตามใจความรักสิบครั้งก็ไม่เห็นมันเป็นเครื่องขวางไงไม่เห็นเป็นเครื่องรองใจ ถ้าเราแปะป้ายว่าความรักเนี่ยมันเป็นเครื่องหลงใจมันเป็นเครื่องขวางไม่ให้เราไปสู่ความสำเร็จเราจะลดระดับความตามใจความรักเนี่ยเหลือห้าครั้งลดลงครึ่งหนึ่งทันทีเก็ตไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเป็นเครื่องหลงใจไม่เห็นว่ามันคืออุปสรรคขวางเราจะตามใจมันสิบครั้งมาสิบครั้งเนี่ยเราตามใจสิบครั้งไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเก้าวช้ามันก็จะยังช้าต่อไปไอ้ที่เราไม่สามารถไปถึงความสําเร็จมันก็จะไปไม่ถึงความสําเร็จต่อไปพลังทั้างในของเราเนี้จริงๆมันมีเยอะนะแต่ที่สาเหตุที่มันยังไม่เบ่งบานยังไม่แตกดอกออกผลมันมีสองเหตุผลคือว่านะเรายอมให้โทสะครอบงำจิตใจหนึ่ง แลวข้อสองคือเรายอมให้สิ่งรบกวนเนี่ยมันเข้ามาทำให้เราเนี่ออกนอกทางโดยไม่มีเงื่อนไขนะเนี่ยจาไว้สองข้อนี้แหล ะ, ะถ้าเราประสบความสำเร็จขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าโอ้พลังเรามีมากกว่าที่คิดเยอะพลังของความสำเร็จนี่แล้วเรื่องของความฝันที่อยากจะทำนะคะเรื่องของการเรีย น, นะคะ่ะก็คือว่ามันมันจะมี ทางประสบความสำเร็จไหมคะคือเป็นคนหวังสูงมากคะ่ะอยากเป็นแพทย์อะคะ่ะแต่ว่าดอบมาปีหนึ่งแล้วอะค่ะคืออย่าให้ตอบว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นค่ะแต่พี่จะตอบอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าเราเอาชนะความโกรธของตัวเองไม่ได้และเอาชนะเครื่องลองใจหรือเครื่องขวางไม่ได้ไหนเราจะทำอะไรไม่สาเร็จเลย แต่ถ้าเราเอาชนะความโกโรธของตัวเองไดเ้เห็นมันเป็นแค่ภาวะคุมขังแป๊บหนึง่งแล้วสามารถที่จะเห็นเครื่องลองใจเนี่ยเป็นสิ่งท้าทายให้ต่อสู้ให้ฮึดสู้เราจะชนะได้ทุกอย่างเรามีศักยภาพอย่างนั้นโดยเฉพาะตัวน้องเนี่ยมีศักยภาพอยู่สูงนะสูงกว่าที่ตัวเองคิดแต่ที่คิดไม่ถึงก็เพราะว่ามันล้มเหลวแล้วก็ พอล้มเหลวขึ้นมาเราก็โกรธตัวเองเปลียดตัวเองเท่า น, นั้นเองเข้าใจนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนมีความโกรธหรือจะเรียกว่าโกรธก็ไม่เชิงแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่ามีอะไรแรงๆอยู่ข้างใน <เ> <password> <ARD> แล้วก็ต้องมันเหมือน ม, น ม, นมความรู้สึกแรงๆอยู่กับคนบางคนแล้วทุกครั้งที่มีมีการเอ่อยถึงหรือมีการพูดถึงเราจะรู้สึกไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากเข้าไปแก้ปัญหาอะไรของใครแต่แต่ไม่อยากให้คนนั้นะ่ะเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้ว พยายามที่จะหาทางยังไงก็ได้ให้ไม่เขาไม่เข้ามายุ่งกับเราเลยอะไรเงี้ยอจะแต่อยากแต่อยากแต่รู้ตัวว่าถ้าถ้าถ้าต้องการจะปล่อยควรจะต้องแบบปล่อยปล่อยกับปล่อยวางเขาไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นนปล่อยไม่ได้ไไดหรอกนะเพราะว่าต้องยอมรับตัวเองอย่างหนึ่งว่าเป็นโทสะจริตเป็นพวกโทสะจริตแล้วก็คือเหมือนถ้ามาดีเราก็ดีไปถ้ามาไม่ดีหรือว่าเราไม่ถูกใจเนี่ย มันจะถอนความรู้สึกไม่ชอบไม่ได้พูดง่ายว่าความชอบกับความชังในใจของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นชอบชอบเลยชังชังมากนี้เราอย่าไปพยายามตั้งแง่ตั้งเป้าว่าจะถอนความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวคนแต่เรามาตั้งเป้าใหม่ว่าเราจะดูความไม่เที่ยงของความชอบความชัง ข้างในใจเราเองคือที่ผ่านมาเนี่ยพอเรานึกถึงใครหรือว่ามีใครมาพูดนะถึงคนที่เราไม่ชอบขึ้นมาพูดง่ายๆว่าไปปลุกอารมณ์ชังขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ชังจะครอบงำจิตใจของเราแล้วเราไม่เห็นมันเห็นแต่ภาพของคนที่น่าชังนี่ถ้าเราเห็นอารมณ์ชิงชังที่มันรู้สึกว่ายึดที่มันรู้สึกว่ามันเกลียดมันรู้สึกว่ามัน แย yeah. ่ทาให้เรารู้สึกแย่มันจะคลายออกแบบเนี้ยเห็นไหมความรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันคลายออกได้ mm hmm. ถ้าเราไม่ทึงนึกถึงหน้าเขาแต่เรานึกถึงสภาวะที่มันกําลังปรากฏอยู่ในใจของเราเมื่อกี้ที่มันเหมือนกับมีอะไรเข้นๆ ข, ขึ้นมานิดนึงตอนผมพูดถึงเนี้ยความชังน่ยนีมันนึกหน้าออกเลยนะเสร็จ แ, แล้วพอไอ้ความชังตรงนะั้นมันถูกรู้สึก หน้าตามันบีบๆหน้าตามันแบบแย่ๆมันก็คลายออกนี่มันคลายที่ใจมันไม่ได้คลายที่เขาตัวเนี้ยที่ต้องฝึกอย่าตั้งความคาดหวังว่าจะถอนใจออกจากบุคคลหรือว่าสถานการณ์ที่น่าชิงชังแต่ตั้งเป้าจะเห็นอนิจจังของความรู้สึกชิงชังนี่ง่าย ๆ, ๆแค่นี้แล้วถ้าเรายังต้อง ต้องเข้าไปยุ่งเกีเ่ยวตรงนั้นจเจ อ, อไปไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเหตุการณ์ต่างๆที่มีมีส่วนตรงนั้นเรายัางต้องต้องพยายามเขาเรียกว่าจะควบคุมสติของเราให้รู้สึกอย่างนั้นตลอดใช่ไหมคะถึงจะแก้ได้หรือว่ามันไม่ใช่ควบคุมสตินะแต่มองให้เห็นตัางหากว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในใจของเราจําไว้ว่าคนเราไม่สามารถควบคุม ให้ความชอบหรือความชังมันเกิดหรือไม่เกิดตามปรารถนาไม่มีใครทําได้แต่เป็นไปได้ที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นมันยอมรับตามจริงว่ามันเกิดอยู่เมื่อยอมรับตามจริงว่ามันเกิดอยู่สติมันจะค่อยเห็นลักษณะณนะเวลานั้นเนี่ยมันบีบเค้นหัวใจยังไงมันเกิดความรู้สึกแย่ๆยังไงมันเกิดความรู้สึก คิดอะไรเนี่ยมันมองเป็นโทสะไปหมดเลยมองออกมาจากโทสะไปหมดเลยมันมองคือมีแต่มุมมองไม่ดีเนี่ยพอเห็นอาการปรุงแต่งของความรู้สึกชิงชังมันก็จะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยรู้สึกดีขึ้นมาแต่ไ ม, ม่ทั้งหมดนะมันยังมีอะไรคาคาอยู่เห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยพอเห็นได้ที่คาคานี่มันก็หลุดออกไปอีกชั้นหนึ่งมันกระเทาะออกไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกไหมปลอดปรง รู้สึกเหมือนก็คลายจากอาการคลายความชิงชังออกมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราได้ตัวอย่างว่าอาการคลายความชิงชังเนี่ยมันเป็นไปได้จริงเมื่อเห็นความเป็นไปได้จริงมันจะเกิดความมีแก่ใจเกิดกำลังใจวม่จะเห็นต่อไปอีกเห็นต่อไปอีกเรื่อยๆถ้าหากว่าทุกครั้งที่มีความชิงชังเกิดขึ้นแล้วเราเห็นอย่างนี้แล้วคลายได้อย่างนี้มันจะรู้สึกดี แล้วกลายเป็นขอบคุณที่มีใครสักคนหนึ่งที่น่าชิงชังให้ใจของเราปรุงแต่งความรู้สึกชนิดนี้ขึ้นมามันเห็นง่ายแต่ที่ผ่านมาไม่ยอมที่จะเห็นเพราะว่ามัวแต่ไปล็อกอยู่กับข้างนอกล็อกอยู่กับภาพล็อกอยู่กับเสียงของเขาล็อกอยู่กับบางทีนะของคุณนะลองไปสังเก ต, ตัวดีๆนะบางทีคิดไปเองนะเห็นไมยังยอมรับตามจริงเลย ือบางบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเลวร้ายอะไรยังไงแต่บังเอิญว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่เราไม่เต็มใจให้เข้ามาไม่ชอบคนประเภทนี้ไม่ชอบไอที่เขาอย่างนั้นไม่ชอบทีอะคิดไปเองแล้วว่าเขาจะมาทำอะไรให้เราหมดความสุขทั้งทงี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะเสร็จแล้วไอความเชื่อแบบนั้นนั่นแหละบางทีมันจะเหนี่ยวนำให้เขาทำขึ้นมาจริงๆ พอดีค่ะพึ่งมาครั้งแรกนะคะพอดอีอยู่กับพ่อกับแม่นะค ะ, คะแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เหมือนกับมีมีอารมณ์ประทุง่ายกับพ่อกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นกับคนภายนอกเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่ ไม่รุนแรงเท่ามันมันจะไม่กระทบวัยขนาดเนี้ค่ะคือบางบางทีทําอะไรเรามีความรู้สึกรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองผิดแต่ว่าความรู้สึกนั้นอะ่ะมันจะมันจะมันจะมีสติระลึกได้ช้ามากคือหลังจากเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วอะ่ะหรือว่าถ้าออกไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่ามานั่งย้อนคิดเออตัวเองผิดนะแต่ขณะที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมันมัน มีอารมณ์แบบความคุ้นเคยนะความใกล้ชิดค่ะมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่อยากเกรงใจค่ะความไม่อยากเกรงใจมันเป็นพวกเดียวกันกับความรู้สึกว่าอยากโกรธก็โกรธอยากอาละวาดก็อาละวาดค่ะไม่เห็นต้องเกรงใจเพราะว่าท่านก็ท่านก็จะไม่ถ้าเราเข้าใจพอยต์ตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจว่าความใกล้ชิดนั่นแหละ ความเป็นญาติอย่างยิ่งนั่นแหละคือการที่ทำให้เราไม่เกิดความรู้สึกอยากจะอดกลั้นนะมันก็จะได้มองเห็นเข้าไปข้างในอาการปรุงแต่งของจิตมันรู้สึกว่าไม่ต้องอดกลั้นไม่น่าจะต้องไปทำเป็นปิดบังอะไร ม, มันก็จะมีอาการเด้งผึงออกไปโดยอัตโนมัติ เห็นไหมเห็นเห็นเป็นภาพตางใจนะพอคนข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะมองเราไม่ดีบางทีเนี่ยเราเราจะมีภาพตรงนี้อยู่อยากให้เขามองว่าเราเนี่ยเออเป็นคนที่รู้จักนะรู้จักคิดรู้จักยับยั้งชั่งใจนะเป็นคนใจเย็นเป็นคนอารมณ์ดีอะไรแบบนี้บางทีเนี่ยทางทางที่เรื่องน่าจะโกรธมากเรายิ้มเฉยเลยนะ ไออาการยิ้มเฉยเลยนั่นแหะคือความกดดันอย่างยิ่งนะความเก็บกดอย่างยิ่งคแล้วเสร็จแล้วไปปล่อยกับใครไปปล่อยกับคนที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องเกรงใจนั่นแหละใช่คือพยายามพยายามจะบางทีก็พยายามจะกลั้นจะไม่พูดจะคือรู้ตัวว่าตัวเองทําผิดหรือว่าไม่ดีแต่มันทําไม่ได้ต่อไปอย่ามองอย่างนี้คําว่าผิดคําว่าถูกตัดทิ้นไปเหลือแต่คําว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นจริง อ, อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยว่าตอนอยู่กับพ่อแม่เนี่ยสิ่งที่มันเหนี่ยวนำสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกก็คือว่าไม่ต้องเกรงใจตามใกล้ชิดเป็นเหตุให้ไม่เกรงใจเนี่ยอารมณ์ไม่อยากเกรงใจมันเกิดมันเหมือนประตูเปิดประตูอารมณ์เนี่ยเปิดแอ่เลยอารมณ์อะไรผุดขึ้นเนี่ยมันพร้อมจะกระโจนไปโดยที่เราไม่ต้องยับยั้งชั่งใจ เห็นไหมเห็นเป็นภาพภาพทางใจนะแต่กับคนภายนอกเราจะมีคนคนอื่นเนี่ยก็มองเราโอ้ยคนดีนะเนี่ยยิ้มเย็นเย็นไม่โกรธเนี่ยแล้วเราก็จําอยู่ตรงนั้นแหละเราเป็นคนไม่โกรธนะอะไรอะไรมาเนี่ยเราก็เย็นตอบไปมันกลายเป็นภาพภาพอยู่ข้างในเรานึกถึงภาพของตัวเองที่เย็นอยู่นึกนึกออกไหมใจเนี่ยมันมีมโนภาพตรงนี้อยู่ แต่แล้วพอมีเรื่องอะไรมากระทบให้ตัวเนี้ยยกขึ้นมาก่อนเนี่ยยกขึ้นมาตั้งเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ความโกรธกระโจนออกไปแท้จริงไม่ใช่ว่าความโกรธไม่มีแต่ความโกรธไม่กระโจนออกไปต่างหากไม่แสดงตัวให้สายตาคนอื่นรับรู้ัวเสียภาพพอเราเห็นเป็นภาพทางใจอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดเป็นข้อสังเกตในขั้นต่อมาก็าคือเมื่ออยู่กับคนอื่นไม่ใช่เราต่อไปนี่ เค้เ <_ C. S 1> ข้าใจความจริงเนี่ยพรุ่งนี้จะอาลวาดเลยเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะ<__ <C. S 1> มันมันไม่ใช่ว่าเราเห็นความจริงตรงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งแต่เห็นความจริงตรงนี้แล้วเราจะสังเกตอะไรมากขึ้นเห็นความจริงทางใจมากขึ้นเป็นภาพทางใจมากขึ้นแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นอันนี้ความผิดความถูกไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆล้วก็อย่างเช <_ C. S 1> ่นเห็นพ่อแม่ปุ๊บไม่เกรงใจ เรเห็นอารมณ์ตัวเองมันมันจะคล้ายๆประตูเนี่ยถูกเปิดอ้าออกมาจากภาพจากอะไรที่มันเลือดรูเนี่ยตอนอยู่นอกบ้านเนี่ยนีมันเปลี่ยนเลยพลิกจากหัวเป็นก้อยพริกจากก้อยเป็นหัวพอเห็นอารมณ์ตรงนี้ปุ๊บอ่านี่ตรงนี้เริ่มแล้วพร้อมที่จะแสดงขออย่าให้เห็นอะไรนิดอย่าให้เห็นอะไรหน่อยนะเนี่ยตรงนี้มันจะกระจนออกแล้วเสร็จแล้วพอเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรมันกระโจนออกมาจริงๆ ห้ามตัวเองไม่ได้ด้วยน ะ, ะนี่จําไว้เลยนะห้ามตัวเองไม่ได้นะมันกระโจนออกไปนะแต่ point ของความแตกต่างก็คือเราเห็นแล้วไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกมาต่อต้านคมันมีแต่เห็นว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อเนี่ใจมันจะเป็ น, นี้มันจะปรับมาอยู่ที่ตรงกลางๆเนี่ยตอนเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเข้าใจไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยมันไม่ถึงว่าทำให้เราเลิกแสดงโทสะ แต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราฉลาดขึ้นมีความฉลาดทางจิตมากขึ้นไอ้ความฉลาดทางจิตมากขึ้นไอ้สติที่มันเกิดมากขึ้นนี่แหละที่มันจะยับยั้งไม่ให้โทสะแสดงออกไปมากเกินขอบเขตไปเองพูดง่ายๆว่าถ้ามีสติถ้ามีความเข้าใจเป็นตัวหนุนเป็นตัวรองพื้นไมาก่อนอะไรจะเกิดขึ้น ในทางกิเลสเนี่ยมันจะไม่สุดค่ะใช่คือคื อ, คอมันมันไม่ไม่เคยไม่เคยพูดรุนแรงขนาดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือความรู้สึกตัวเองก็รู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ควรทําต่อไปนะห้ามเลยน ะ, ะห้ามห้ามแปะคําว่าผิดห้ามแปะคําว่าไม่ดีเอาไว้มีแต่ ว, ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงที่มันเกิดขึ้นไอความฉลาดที่มันตามหลังมานั่นแหละมันจะเป็นตัวสติ ทำให้สิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นส่วนสิ่งที่น่าจะเกิดอย่างเช่นปัญญาเห็นความจริงโทษะเกิดขึ้นแวบหนึ่งเหมือนไฟไหม้ฟาง <คะ S 1> แล้วมันก็หายไป <คะ S 1> นี่ตัวนี้ที่มันจะปรากฏเต็มแล้วเราจะขอบคุณพ่อแม่เออเข้าใจแล้วตัวไม่เกรงใจเป็นจุดเริ่มต้นตัวที่มันกระโจนออกไปเร็วมันเป็นผลลัพธ์ตามมา และตัวที่ไม่ไปด่าตัวเองไม่ไปตำหนิตัวเองนะมีแต่การยอมรับตามจริงตัวนี้แหละที่มันจะสรุปได้บทสรุปเป็นพุทธิปัญญาฉลาดเห็นความจริงมาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับลงเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัยอันสมควรของมันค่นะขออีกนิดนึงนะคะกำลังสงสัยเพราะว่าถ้าถ้าไปถ้าไ ป, าไปวด ถือศีออลบวชอย่างเงี้ยค่ะตามตามวัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างนิ่งระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาทำที่บ้านนะคะยังไงก็ไม่นิ่งใจมันจะฟุ้งมากๆก็เลยไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่ากลับมาบ้านเนี่ยมีเครื่องรบกวนส่วนตอนที่ไปวัดความรู้สึกปักใจเชื่อก็คือมีเครื่องส่งเสริมนะ พอเราปักใจเชื่อวว่าไปวัดมีเครื่องส่งเสริมกลับมาบ้านมีเครื่องรบกวนเนี่ยพอยังไม่ทันมีอะไรเลยเนี่ยกลับไปบ้านปุ๊บรู้สึกแล้วไม่สงบเข้าใจไหมคือปักใจเชื่ออย่างไรเนี่ยมันก็มีผลอย่างนั้นเป็นผลตามมานี่ถ้าเราพิจารณาตามจริงคือค่อยๆทบทวนไปจะเห็นว่าที่บ้านบางครั้งก็สงบบางครั้ง ก็เหมือนกับวุ่นวายที่วัดก็เหมือนกันบางครั้งก็สงบบางครั้งก็วุ่นวายเห็นไหมมันมันจะรู้สึกขึ้นมาไม่เห็นแตกต่างกันเลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไปค่ะก็คือมันมีกำหนดเวลาแล้วเราไปเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเราก็จะทำของเราเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าพอกลับมาที่บ้านนะคะอย่างพอกลับมาวันแรกตั้งใจเช้านี้เดี๋ยวจะทวาวัดเช้าอ่ะพอได้อยู่ ตอนเย็นทำวัดเย็นได้แต่พอผ่านไปสักสองวัน3าวันมันก็จะเริ่มถอยไม่อยากทําเกิดอะไรสลับสรุปมันเป็นความเคยชินไงพออยู่บ้านมันอิสระแต่อยู่วัดเนี่ยมันเหมือนถูกบังคับว่าจะต้องอยู่ในลู่ในทางเท่านั้นนะไม่งั้นบาปไม่งั้นเดี๋ยวไม่คุ้มไม่งั้นเดี๋ยว อ, อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะตามที่ เราจะปรุงแต่งขึ้นมานี้เอาใหม่ว่าอยู่บ้านเนี่ยถ้ามันไหนขี้เกียจเรารู้อารมณ์ขี้เกียจวันไหนขยันเรารู้อารมณ์ขยันนะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของความขยันกับความขี้เกียจแล้วบอกตัวเองว่าเวลาอยู่วัดถ้าหากว่าเราอยู่เป็นนานๆตลอดชีวิตมันก็อย่างนั้นแหละชาววัดเนี่ยผมไม่เคยเห็นนีขยันตลอดเนี่ยนะมีนอนตีพุงแบบชาวบ้านธรรมดาก็เยอะเนี่ย มีช่วงขยันมากมีช่วงขี้เกียจมากไม่แตกต่างกันอย่าไปโทษเรื่องวัดเรื่องบ้านแต่โทษเรื่องว่าเราเห็นความไม่เที่ยงหรือเปล่าเราเข้าใจเหตุปัจจัยตามจริงหรือเปล่านะถ้าเห็นเหตุปัจจัยตามจริงเนี่ยมันก็จะเริ่มขยันแบบไม่คาดหวังว่าจะขยันตลอดไปแล้วก็ขี้เกียจแบบไม่ว่าตัวเองว่าจะต้องขี้เกียจตลอดไป แต่เห็นเป็นน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นให้รีบตักก็คือถ้ารู้สึกว่าตัวเองขยันเอาให้เต็มที่พอน้ำลงอ่ะไม่เป็นไรคือเรายัางไม่มีอะไรให้เห็นก็ดูความขี้เกียจไปหรือไม่ก็ไปสวดมนต์ไปอะไรตามเร่งตามดาวนะทำเท่าที่จะทำได้อย่าทำเท่าที่คิดว่าน่าจะทำได้สวัสดีครับมาข้างแรกเหามือนกันครับ ก็คําถามสั้นๆตัวเองเป็นคนที่แบบอารมณ์ค่อนข้างขึ้นๆลงๆอะครับแล้วก็ทําอะไรจะหลุดโฟกัสตลอดก็อยากจะถามว่าท่านมันเป็นเพราะว่าโดยพื้นเดิมเนี่ยมันเหมือนอตาของคุณมันใหญ่มากไง น, นะคือมองอะไรเนี่ยระดับประเทศระดับโลกตลอดเข้าใจใช่ไหมเล็กๆเนี่ยมองไม่เป็นมองแต่ใหญ่ๆ มันจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในว่าของเราเนี่ยต้องระดับหนึ่งนนีพูดกันเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆนะนี่อัตราในแบบนี้เนี่ยมันทำให้การรับรู้การเชื่อมต่อกับความจริงเนี่ยมันสวิชมันสลับกันไปสลับกันมาระหว่างรู้ตระหนักว่าอะไรเป็นอะไรกับอีกอันหนึ่ง คือมันไม่ยอมรับลองทบทวนดูจะนึกออกนะพอรู้สึกว่าไม่อยากยอมรับว่าตัวเองเป็นได้แค่ไหนโฟกัสตรงนั้นมันจะหายไปทันทีมันจะเลือนเนี่ยอย่างนี้เ็าเรียกปกติจิตมันยอมรับความจริงเห็นหมว่าเออที่ผ่านมาอัตตาเป็นต้นเหตุเป็นเป็นเป็นรากของปมปัญหานี้พอเริ่มที่จะมองออกอ่านเกมออก ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากอัตตาก็ลังสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับพองๆขึ้นมาเหมือนกับใหญ่ๆขึ้นมาเกินจริงเกินกว่าที่ตัวเองเป็นมันจะเริ่มมองเห็นว่าจุดเริ่มต้นของความขึ้นๆลงๆมาจากตรงนี้แหละจุดเริ่มต้นของการหลุดโฟกัสมันมาจากตรงนี้แหละมันมาจากที่มันพอง แล้วไม่มีอะไรรองรับอาการพองนั้นคือมันใหญ่เท่าจาักราวาลแต่ไม่มีจักราวาลให้ใหญ่เท่าเข้าใจไหมคือมันใหญ่เกินจริงแล้วความจริงเนี่ยมันมันอยู่แค่นี้แต่ไอ้นี่มันเลยออกไปอัตตาของเรามันพองเกินออกไปมันเลยไม่มีความจริงรองรับและไอ้ที่ไม่มีความจริงรองรับนั่นแหละทให้จิตมันหลุดจากโฟกัสเวลาที่อยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าบางทีเรารู้สึกเหมือนว่าเราน่าจะคิดได้ แทงทะลุเลยคือเราจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยง่ายๆไม่มีปัญหาแต่บางครั้งมันมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ง่ายงายไม่มีปัญหาเนี่ยมันน่าจะครอบคลุมทั้งหมดพูดง่ายงายว่าเราเอาชนะได้ทุกปัญหาซึ่งมันไม่จริงมันจะมีแค่บางปัญหาที่เรารู้สึกว่าง่ายจริงจริงแต่อีกหลายๆปัญหาเนี่ยคือมันเกินความสามารถเราแต่ใจเรายังดื้ออัตตาเรายังดื้อ ไม่ไม่ยอมรับความจริงว่าเราแก้ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นหลุดโฟกัสไปตรงนั้นแหละคือมันไม่เชื่อมต่อกับความจริงแล้วไงมันไม่ลิงก์กับความจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต่อไปมันเริ่มเห็นว่าไอ้ตัวที่รู้สึกว่าเราทําได้ทุกอย่างมันเป็นแค่ภาวะทางอารมณ์หลอกโฟกัสมันจะกลับมาเหมือนกับอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเห็นไหมมันมันเข้ามาอยู่ตรงที่รู้สึกว่าเป็นปกติ แต่ของคุณเนี่ยคือถ้าอยู่ข้างนอกนะเราไม่พูดถึงประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยเวลามันใหญ่แล้วมันจะใหญ่เลยแล้วมันกลับมาตรงกลางไม่ได้เข้าใจพ่อยนะคุณครับกลับสวัสดีอาจารย์ค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่าเป็นอกุศลนะคะเราจะปฏิบัติยังไงคะของคุณชอบมีความคิดอะไรที่มัน แย่ๆเขาผ่านเข้ามาในหัวเนี่นะบางครั้งเราให้การต้อนรับให้ความร่วมมือกับมันแต่หลายๆครั้งเรารู้สึกว่าไอ้ น, นี่มันเป็นความคิดแย่ๆที่ไม่น่าเกิดขึ้นในเราแล้วเราก็จะสับสนว่าจะขับไล่ความคิดหรือว่าทําให้ความคิดแย่ๆไม่เกิดขึ้นอีกเลยได้ยังไงเพราะมันไม่อยากไม่อยากเป็นคนคิดไม่ดีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนคนเดีว ให้สำรวจใจตัวเองว่าใจจริงๆของเรามันอยู่ที่ตรงไหนมันอยากหรือไม่อยากคิดแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นคิดไม่ดีกับพระกัเจ้าอย่างเงี้ยหรือว่าคิดลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอความคิดมันแวงขึ้นมานะเราถามใจตัวเองว่าใจของเราจริงๆเนี่ยอยากกราบพระหรือว่าอยากด่าพระอันนี้แค่ ย, ยกตัวอย่างนะถ้าหากว่า ใจของเราจริงๆบอกว่าเราไม่อยากด่าเลยนี่แสดงว่าไอ้ที่มันแวบเข้ามาเป็นความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วคือถ้าเราตอบตัวเองออกมาอยากใจว่าเราอยากด่านั่นน่ยมันถึงจะเป็นพวกเดียวกันกับความคิดแต่ถ้าใจอย่างคิดอย่างนี่แสดงว่าใจจริงๆไม่ตรงกับความคิดที่แว บ, บเข้ามาเพราะฉะนั้นสรุปว่าความคิดเป็นอนัตตามันแว บ, บเข้ามามันลอยเข้ามาในหัวทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันไม่ใช่ตัวเรา แล้วเราจะไปแคร์ทำไมพอบอกตัวเองอย่างนี้ซ้ำๆมันจะเริ่มเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าความคิดผ่านเข้ามาเนี่ยมันบังคับไม่ได้ว่าจะให้ดีหรือไม่ดีแต่สามารถที่จะรู้ได้เอามาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติได้ว่าความคิดนั่นมาเองมันก็สมควรจะไปเองไม่ใช่มันมาเองแล้วเราเลี้ยงไว้ หรือว่าไปให้อาหารต่อด้วยความรู้สึกทรมานใจของเรานึกว่ามันเป็นตัวเราทบทวนดูนะความคิดมันผ่านเข้ามาเองเราไม่ได้เต็มใจให้มันเข้ามาแต่กลับรู้สึกว่าเป็นความคิดของเรานั่นคือความทึกทักแบบผิ ด, ผดนั่นคืออุปทานว่าความคิดเป็นตัวเราเห็นเป็นโอกาสว่าเราจะได้บทฝึกง่ายๆที่จะได้เห็น ว่าความคิดเป็นอนัตตามันเกิดจากเหตุปัจจัยเดิมทีเราเป็นพวกเจ้าโทสะคิดอะไรแล้วด่านโน่นด่านี่อะไรอย่างเงี้ยนะด่านในใจบ้างด่าออกปากบ้างไอ้วัจีทุจริตกับมโนทุจริตพวก น, นี้มันไม่หายไปไหนมันยังคอยวก ว, กวนอยู่ในหัวเรานั่นแหละแต่มันจะเล่นงานเราได้ เล่นงานเราให้รู้สึกทรมานใจได้มากที่สุดก็ตอนที่เรามาจะเริ่มจเจริญรุ่งเรืองในธรรมะแล้วนั่นแหละมันรู้สึกเหมือนอะไอะไรบางอย่างแย่ๆมันมาดึงดูดแล้วเราให้ไม่ไปไหนไปไม่ถูกเราอยากจะคิดดีแต่ความคิดมันกลับไม่ดีหรือบางทีเรารู้สึกว่าเป็นอิสระจากมันได้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาอีก ถ้าม่เป็นสิ่งรบกวนจิตใจเรามากทำให้เรารู้สึกทรมานใจมากนะตัวนี้เนี่ยถ้าเรายังมองว่ามันเป็นตัวเราต่อมันก็จะทรมานใจต่อแต่ถ้าเราฝึกที่จะเห็นว่ามันเป็นแค่อณนนตาตัวหนึ่งที่ผ่านเข้ามาเองเราไม่อยากเลี้ยงดูมันไม่อยากต้อนรับมันในขณะเดียวกันเราไม่ไปให้อาหารมันด้วยความทรมานใจหรือความพยายามผักใส มันก็จะเป็นอะไรอย่างหนึ่งเหมือนเศษฝุ่นเศษผงที่เข้ามาปลิวเข้ามากระทบแล้วก็เด้งกลับไปออกไปมันมาจากความว่างมันก็กลับหายไปสู่ความว่างต้องฝึกแล้วก็ต้องดูโดยความเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่10ครั้ง20ครั้งแต่ต้องฝึกเป็นพันๆครั้งเป็นหมื่นๆครั้งมันใจมันถึงจะเริ่มฉลาดว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วย มันเป็นแค่ความปรุงแต่งทางจิตผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปพุดขึ้นแล้วหายไปในที่สุดเนี่ยนอกจากจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปแล้วมันจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพุทธจริงๆด้วยเป็นคนพุทธแท้ๆคือเห็นว่าอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเรานะมองให้เป็นมองไปถึงธงมองไปถึงเป้าหมายไม่จริงๆแล้วเนี่ย มันมันดีเกินกว่าที่เราคิดให้ความคิดแย่แย่แบบเนี้นะอาายมากค่ะเอาละโอเคครับวันนี้สองทุ่มพอดีนะจริงๆแล้วก็เผื่อเวลาไว้ชั่วโมงหนึ่งแหละนะหย่อนๆย่อนก็วันนี้ครบทุกคนพอดีมามากันสิบสี่คนเอ้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่คนนะม โอเคครับขอบคุณนะที่มามาร่วมสวัสดีครับ